นามาตุราตนัตยสสะขอนอบน้อมต่อพระราตนาไตรสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เรียนพระสูตรชื่อว่าฉวิโสธนะสูตรนำมาจากคำพีมัชฌิมานิกายอุปริปันนาฏ นะครับชวิโสธนสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการชําระหรือว่าการทำให้กระจ่างใน6กประเด็นด้วยกันชะก็แปลว่า6วิโสธนะแปลว่าชําระหรือทำให้กระจ่างทำให้มันหมดความสงสัยเมื่อเรามีความสงสัยในเรื่องใดก็ทำให้กระจ่างยังไม่เชื่อมั่น ยังมีความตะกิจตะขวงใจอยู่อย่างนี้ก็มีการชำระในหกประเด็นด้วยกันฉะก็แปลว่าหกในที่นี้กล่าวถึงถ้ามีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าวเรื่องการพยากรณ์ตนเองว่าเป็นพระอรหรันต์เวลาเราฟังแล้วเกิดความไม่มั่นใจหรือว่าไม่เชื่อท่านพูดง่ายๆก็สามารถมี บทพิสูจน์มีข้อสำหรับชำระให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นให้เกิดความกระจ่างเพิ่มขึ้นได้พระพุทธเจ้าท่านก็แสดงหลักการเอาไว้สำหรับตรวจสอบหรือว่าสำหรับทำให้กระจ่าง น, นนี้สาหรับกรณีที่มีภิกษุบางรูปในธรรมวิไนนยนี้พยากรณ์ตนเองว่าเป็นพระอรหันต์หรือว่าพูดในธรรมนองว่าตนเองหมดกิเลสแล้ว ไม่มีกิจที่ต้องทําอีกต่อไปแล้วจบพรมมาจันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาฟังแล้วเราก็ไม่ควรจะเชื่อง่ายก็มีข้อสําหรับทําให้กระจางหรือว่าชําระไปเรื่อยเรื่อยมีอยู่หข้อด้วยกันนะครับซึ่งในที่นี้เอามาแสดงเอาไว้ก็เพื่อให้เราทั้งหลายนะจะได้ไม่เชื่อคนนั้นคนนี้มากนะอันนี้ก็เป็นหลักการวางจิตชนิดหนึ่งด้วยก็ใช้กับเรื่องอื่นๆ ก็คือเวลาที่คนมาพูดอะไรนวก็มีหลักการวางใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือไม่ควรจะไปยินดีและก็ไม่ควรจะปฏิเสธนี่คือหลักการวางใจที่ถูกต้องนะเวลามีใครสมมติว่ามีคนมาว่าพระพุทธเจ้ามาว่าโอ้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สมมุติมาว่านมาว่าพระธรรมว่าพระสงฆ์อันนี้ก็ไม่ควรจะไปโกรธหรือว่าไม่ควรจะไปปฏิเสธเขาต้องรู้จักวางใจ ทีนี้ก็อีกทํานองเดียวกันถ้ามีใครมาชมพระรัตนตรยัยมาชมพระพุทธเจ้ามาชมพระธรรมมาชมพระสงฆ์ก็ไม่ควรจะไปหลงเพลิดเพลินดีว่าเขาเป็นพวกของเราแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะก็มีการหลักการวางใจแล้วก็หลักการที่จะตอบหลักการที่จะทำให้กระจางชําระเรื่องนั้นๆให้มันแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปหรือว่า บางคนเขาอาจจะมาพูดว่าโอ้ข้อความตรงนี้เป็นพระพุทธพจน์นะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อย่างนี้ว่าอย่างนี้อย่าง น, างนี้แบบนี้จึงถูกนะอันนี้เราก็ไม่ควรจะไปหลงเพลิดเพลินยินดีหรือว่าอย่าเพิ่งไปปฏิเสธควรจะนําคำมันั้นจําคำมันั้นเอาไว้ให้แม่นแม่นแล้วก็เอามาตรวจสอบดูในสูตรและก็ในวิ น, นัยเมื่อเข้ากันได้หรือว่าเหมือนกันก็นกยอมรับแต่ถ้า ไม่เหมือนกันเข้ากันไม่ได้ก็ทิ้งไปอย่างนี้เป็นตน้นนะแต่โดยส่วนใหญ่เราเวลาใครพูดอะไรแล้วเราก็หลงไปตามเขาเวลาเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะเรากา็สอนอย่างนี้เขาเอาเลยอย่างเนี้ยแทนที่จะจดจำคําเขาไว้ว่าเขาว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอยู่ในสูตรไหนถ้าเราเกิดความสงสัยหรือว่าไม่เคยเรียนรู้เรื่องนั้นมาก็ไปเปิดเทียบดู ถ้าเข้ากันได้เหมือนกันก็ยอมรับว่าเออใช่จริงๆด้วยแต่ถ้าไม่เหมือนกันก็ทิ้งคำนั้นไปนะครับหรือว่าสูตรไหนพระธรรมวินยัยไหนที่เราได้เรียนมาแล้วเราก็รู้อยู่แล้วถ้าคนนี้พูดเหมือนกันกับอย่างนี้เข้ากันได้กับอย่างนี้ก็ใช่แต่ถ้าไม่เหมือนกันก็ยังไม่ใช่อย่างนี้นะครับในที่นี้ก็เหมือนกันพระสูตรนี้กล่าวถึงการชาระใน6ประเด็นสาหรับ ถ้ามีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พยากรณ์อรหัตผลคือกล่าวในทนํานองว่าตนเองบรรลุอรหันต์แล้วแต่ว่าภิกษุเวลาท่านพยากร์อรหัตผลนี้จะมีคําที่พยากรณ์ขึ้นมาปกติแล้วจะมีอยู่สี่คำก็คือขีนาชาติชาติสิ้นไปแล้วเนีย่ยใช้คํานี้ก็ได้นะการเกิดการตายไม่มีอีกแล้วชาติสิ้นไปแล้วอย่างนี้ก็ถือว่า ถ้าท่านพูดอย่างนี้ถือว่าพยากรนรหัตผลหรือว่าผู้สิตธังพรหมจริยังการประพฤติพรหมจริย์จบลงแล้วประพฤติจบแล้วไม่ต้องประพฤติพรหมจริย์ต่ออีกแล้วเพราะว่าประพฤติจบแล้วจบพรหมจริย์แล้วหรือว่ากตังกรณียังก็ได้มีกิจที่ควรทําทําเสร็จหมดแล้วกิจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เรามีหน้าที่ต้องทำเนี่ยเสร็จกิจแล้ว นี่ก็เป็นคําพยากรณ์อรหัตผลหรือว่าอีกคำหนึง่งนาปรังอิทัตตายะไม่มีกิจอื่นเพื่อจะต้องทําอีกต่อไปแล้วอย่างนี้นะครับโดยปกติในพระไตรปิฎกแล้วก็ในสูตรทั่วไปก็จะมีอยู่สคําแล้วก็จะมีคมําอื่นๆที่แสดงถึงการพยากรณ์อรหัตผลอีกเยอะเหมือนกันแสดงถึงเช่นว่ า, าหมดกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงแล้วอย่างนี้ก็ได้ นะคำไหนที่แสดงความเป็นอรหันนั่นแหละถ้าเราได้ฟังมาแล้วถ้าคนนั้นพยากรณ์มาหรือว่าพูดมาก็อย่าเพิ่งไปยินดีอย่าเพิ่งไปปฏิเสธสามารถที่จะชําระหรือว่าทำให้กระจ่างได้โดยมีคำถามในที่นี้อยู่หประเด็นด้วยกันเดี๋ยวเราศึกษาดูก็จะพอเข้าใจขึ้นนะครับจะได้รู้ว่าคนที่เป็นพระอราหันเนี่ยท่านรู้อะไรบ้าง เราอาจจะไม่ไปตรวจสอบท่านอื่นก็ได้แต่ว่าเอาไว้ตรวจสอบตัวเราเองหรือว่าฝึกฝนตัวเองมองดูตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วบุคคลที่ท่านเป็นพระอราหันต์แล้วก็สามารถพยากรณ์ได้นี้ท่านมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้างแล้วรู้ยังไงจึงทำให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับ ชวิโสธนสูตรมาจากคำพีมัชฌิมนิกายอุปริปัญ น, นาตบาลีข้อ98เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันก่อนนะครับเอวัมเมสุตังเอกังสั ม, มยังพักวาสาวัติยังวิหรติเชตวะเนอนาถปินดิกัสสาราม ตัตระโขภควาภิกขูอามันเตสิภิกขโวติพระดันเตติเตภิกขูภควะโตปัจจโสสุงภควาเอตตาวจาเอวัมเมสุตังก็ข้าพระเจ้าคือท่านพระอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้ เอกังสมยังพักวาสาวัติยังวิหารติเชตวะเนอนาถบินฑิกัสอารามในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินฑิกะเศรษฐีใกล้เมืองสาวัตถีตัตระโขพักวาพิกขูอามันเตศพิกขโวติในที่นั้นแลก็คือใน พระวิหารเฉตะวันนั่นแหละพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพิกโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีภิกษุมาประชุมกันนะปกติก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีภิกษุมาประชุมกันตอนเช้าก็ไปทํากิจธุระไปบินธรรบาตฉันเช้าแล้วกลางวันก็พักผ่อนกลางวันคําว่าพักผ่อนกลางวันก็คือมีการนั่งและเดินจงกรม ตามสมควรตอนเย็นก็มารวมกันนี่โดยปกติของพระภิกษุชาวบ้านก็จะรู้เวลาเหมือนกันอย่างตอนเย็นๆชาวบ้านชาวเมืองสาวัตถีก็จะพากันออกมาฟังธรรมตอนเชา้ชาๆ้าก็ทําบุญใส่บาทอะไรธรรมดาตอนเย็นก็ฟังธรรมรวมกับภิกษุทั้งหลายพอฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็กลับไปอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็ขอกรรมาฐานแล้วก็แยกย้ายกันไป จนกระทั่งถึงหลายๆทุ่มหน่อยนะพอภิกษุแยกไปแล้วพวกเทวดาก็จะมาแสงแวบวับแวบวับมาเรื่อยอย่างนี้นะก็เป็นช่วงๆนะครับในตอนที่พระองค์ประทับอยู่ที่พระวิหารเชตะวันนั่นเองพระองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เรียกก่อนนะครับที่เรียกก่อนอย่างนั้นก็เพื่อให้เกิดความสนใจในสิ่งที่พระองค์จะพูด ให้เกิดความใส่ใจเพราะว่าแต่ละคนแล้วสมมุตินั่งในที่ประชุมเดียวกันแต่ละคนก็สนใจไม่เหมือนกันบางคนก็ทำกรรมฐานอยู่ดูลมหายใจเข้าหายใจออกบางคนก็ดูจิตดูใจตนเองอยู่หรือว่าบางคนก็มนานัสิการธรรมะข้อใดข้อหนึ่งอยู่อย่างนี้เป็นต้นนทีนี้เวลาจะแสดงธรรมพระองค์ก็เรียกก่อนเพื่อให้สนใจสิ่งที่พระองค์จะแสดงนะครับ ก็เรียกก่อนภิกษุทั้งหลายก็รับคำพัดันเตติเตภิกขูพระกวะโตปัจจัตโสสูงภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็รับคำพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าข้าดังนี้พระกวาเอตตะดโวจัพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสพระสูตรคือชวิสโสธนสูตรดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ตั้งแต่ย่อหน้าที่สองเป็นต้นไปก็คือเป็นคาที่พระองค์ตรัส เป็นพระสูตรชื่อว่าชวิโสธนสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องการชําระการทำให้กระจ่างในหเรื่องหกประเด็นเ้วยกันนะครับเดี๋ยวมีประเด็นอะไรบ้างเรียนไปก็จะรู้นะในย่อหน้าที่สองนะครับอ่านพร้อมกันนะอิทพิคเวพิขุอัญงพยากรโรติขีนาชาติ วุสิตังพระมจริยังกะตังกรณียังนาปังอิทตายาติปะชานามีติตัสสะพิกเวพิกุโนภาสิตังเนวะอะพินันติตับบงังณปฏิโกสิตับบงังอะณพินันติตวา อปปติโกสิตวาปันโหปุชิตาโบจัตตารเมอาวุโสโวหาราเตนะภควตาชาณตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเธนะสัมมาดคาตากตเมจัตตาโร ดิเถดิถวาดิตาสุเตสุตาวาดิตามุเตมุตาวาดิตาวิญญาเตวิญญาตาวาดิตาอิเมโขอาวุโสจัตตาโรโวหาราเตนะภควตาชาณตาปัสตา อะระหาตาสัมมาสัมบุทนะสัมมาดัคขาตากะทังชาณะโตปะนายัสมะโตกะทังปัสโสตอิเมสุจตุสุโวหาเรสุอนุปาดายะอาสเวหิจิตตังวิมุตตันติ แล้วองก็ตรัสว่าอิทา่าภิกเวภิกขุอัญยังพยากรติดูก่อนภิษุทั้งหลายพิสุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพยากรอรหัตตผลว่านะพยากรติก็คือพยากรพยากรก็คือบอกหรือว่าเปิดเผยออกมาอัญยังอันนี้เป็นคำเรียกอรหัตตผลอัญยังคือ การมีความรู้ชนิดที่จบบริบูรณ์แล้วไม่ต้องรู้อีกต่อไปเป็นคำเรียกอรหัตตผลนะครับก็คือท่านพยากรว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ว่าอย่างนั้นเถอะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพยากรอรหันตผลว่าขีนาชาติชาติสิ้นไปแล้ววุสิตังพรหมจริยังพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กตังกรณียังกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วนาปรังอิทธิ ต, ตายะอิติปชานามินะพยากรณ์อรหันต์พยากรณ์รอรหัตผลว่าเรารู้อย่างนี้ว่าชาติสิ้นไปแล้วนะคำว่าชาติสิ้นไปแล้วนี่เป็นคำพยากรณ์อรหัตผลอย่างหนึ่งเพราะว่าคนที่มีชาติยังไม่สิ้นก็ต้องเกิด แก่เจ็บตายวนเวียนไปเรื่อยๆได้ทุกที่มาจากความเกิดเต็มไปหมดนะนะเกิดแล้วก็ได้โตโตแล้วก็ได้แก่แก่แล้วก็ได้ตายได้เป็นโรคได้เจอกับคนที่ไม่น่าชอบใจได้พลัดพรากจากสิ่งที่น่าชอบใจเป็นธรรมดาอย่างนี้นะส่วนผู้ที่เป็นอรหันต์นั้นมีชาติสิ้นไปแล้วทุกทั้งหมด ที่เกิดจากความเกิดก็ไม่ต้องมีอีกต่อไปอย่างนี้ถ้าท่านไหนที่พยากรณ์ว่าข้าพเจ้ารู้แล้วว่าเนี่ยชาติสิ้นไปแล้วอย่างนี้ชื่อว่าพยากรณ์อรหัตผลนะครับหรือใช้คําที่สองก็ได้วุตสีตังพรหมจริยังการประพฤติพรหมจันท ร, ร์อยู่จบแล้วประพฤติพรหมจรรันทร์การใช้ชีวิตชนิดที่ประเสริฐทําให้หมดทุกข์ได้ อริยมรรคมีองค์8ประการนั่นแหละเรียกว่าพรหมจรรย์ในการฝึกฝนก็ฝึกฝนโดยให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาจนกระทั่งสมบูรณ์ไปตามลำดับอริยมรรคเกิดครั้งที่1่ก็ศีลสมบูรณ์ครั้งที่สองครั้งที่สามสมาธิสมบูรณ์จนถึงครั้งที่สี่ก็สมบูรณ์ทั้งหมดศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์และจบพรหมจรรย์ มีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วนะกิจที่ควรทำกิจที่ควรใส่ใจควรฝึกฝนให้มีขึ้นในพระพุทธศาสนาก็คือกิจที่เราควรกระทําต่อความจริงกิจต่ออริยสัจ ท, ทั้งสี่ทุกควรรู้ใช่รู้ให้มันแจ่มแจ้งว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะกายกับใจนี้มันไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวทุกอันนี้ก็คือกิจที่หนึ่ง ทุกเนี่ยควรรู้ควรรอบรู้มันให้แจ่มแจ้งเรียกว่าปริญญากิจส่วนสมุทัยคือความอยากได้ความต้องการความหลงเพลิดเพลินอยู่กับกองทุกขการสร้างทุกใหม่ใหม่ไม่สิ้นสุดอันนี้ควรละปะหาญกิจนิโรธาคือพระนิพพานควรกระทําให้แจ้งทําให้เป็นอารมณ์ของจิตเรียกว่าสัจฉิกิริยากิจ ส่วนอริยมรรคมีองค์แปดประการนั้นควรทำให้เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนากิจนะฉะนั้นกิจที่ควรทำก็มีอยู่สอย่างตามอริยสัจทั้งสนั่นแหละทุกควรรู้สมุทัยควรละนิโรธะคือพระนิพพานควรทำให้แจ้งทุกขะนิโรธะคือคามินีปฏิปทาหรือว่ามรรคนั้นควรทำให้มีขึ้นทาให้เกิดขึ้น นี่นะสำหรับคนไหนที่บอกว่าโอ้ยได้ทำกิจจนสมบูรณ์แล้วทุกได้รู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วอันนี้ก็เป็นคำพยากร์อรหัตผลทุกขสมมูทัยคือตันหาได้ละหมดแล้วอันนี้ก็เป็นคำพยากร์อรหัตผลนิโรธะคือพระนิพพานได้รู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วถึงนิพพานแล้วถึงจุดหมายปลายทางแล้วอย่างนี้ก็เป็นคาพยากรอรหัตผลอริยมรรคทาให้เกิดจนสมบูรณ์แล้ว อราริมักเกิดครบถ้วนสมบูรณ์แล้วอันนี้ก็เป็นคําพยากรณ์อรหัตตผลเหมือนกันอย่างนี้นะครับนี้เป็นคํากลุ่มที่สามนะสำหรับพยากรณ์อรหัตตผลกาตังกรณียังมีกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วนาปรังอิถัตตายะไม่มีกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกไม่มีกิจอื่นที่ต้องทําอีกไปแล้วหมดกิจแล้ว อย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็พยากรณ์อรหัตผลว่ากระผมหรือว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ว่าชาติสิ้นไปแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีถ้าสมมุติมีพยากรณ์อย่างนี้ขึ้นมาถ้อยคาใดถ้อยคาหนึ่งหรือว่าทั้งสี่คก็ได้ หรือว่าแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งของทั้งสี่คำนี้นะครับตัสสะภิกเวพิกุโนภาสิตังเนวะอภินันติตั บ, บังณปฏิกโกสิตั บ, บังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่พึงยินดีไม่พึงปฏิเสธถ้อยคำของภิกษุนั้นอันนี้ก็เป็นการวางท่าทีของบุคคลที่ได้ยินได้ฟัง ก็คือเนวะอภินันทิตับบงังไม่ควรเพลิดเพลินยินดีณนะปฏิโกสิตับบงังไม่ควรปฏิเสธนะครับก็เหมือนการศึกษาหรือว่าการทําให้กระจ่างในเรื่องทั่วๆไปนะต้องไม่หลงยินดีก่อนแล้วก็ไม่ปฏิเสธก่อนจึงจะเกิดการศึกษาถ้าเรายัางวางใจอย่างนี้ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องไปศึกษาเรื่องอื่นแร้วให้ศึกษาวิธีวางใจก่อนโดยส่วนใหญ่เราก็ ได้ยินอะไรมาก็หลงยินดีหลงปฏิเสธเขาอยู่เรื่อยแต่ก็ศึกษาไปเรืนะ่อยตะวันไปเรื่อยอย่างนี้มันไม่ได้อะไรเพราะว่ามันไม่เกิดการศึกษาอย่างแท้จริงฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาหรือว่าจะชําระเรื่องอื่นๆนะจะเข้าใจเรื่องอื่นๆเราก็มาชําระวิธีวางจิตก่อนวิธีฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่ไม่หลงยินดีเพลิดเพลินไปกับเขาและไม่หลงปฏิเสธเขาด้วยอย่างนี้นะ จนกว่าเราจะสามารถที่จะไม่เห็นด้วยกับเขาก็ได้แต่เราก็ยอมรับเขาได้เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับเขาแต่เราก็ชื่นชมเขาได้อย่างนี้แต่เรานี้ไม่เห็นด้วยนี่มันไม่ชื่นชมเลยนะชื่นชมไม่ออกเนี่ยต้องเหมือนเราจึงจะชื่นชมไม่เหมือนเราก็ปฏิเสธอันนี้ก็คือมันวางใจไม่เป็นวางใจไม่ถูกนะฉะนั้นถ้าเรายังวางใจไม่เป็นวางใจไม่ได้วางใจไม่ถูกก็ยังไม่ต้องศึกษาเรื่องอื่นหรอกศึกษาวิธีวางใจก่อน คือฝึกฝนตนเองให้เห็นว่าแต่ละอย่างนี่มีแต่ของผ่านมาผ่านไปมีแต่ของเปลี่ยนแปลงสิ่งไหนที่เราคิดว่าดีมันก็ล้วนเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นสิ่งไหนคิดว่าไม่ดีก็ล้วนเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นจนเข้าใจมาแล้วพอเข้าใจมันก็จะวางใจได้วางใจเป็นเมื่อวางใจเป็นอย่างนี้ก็จะสามารถศึกษาหรือว่าชําระเรื่องต่างๆได้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเรายังหลงเพลิดเพลินหลงยินดี หลงปฏิเสธหลงผลักสเขาอยู่อันนี้เราอย่าไปมุ่งหน้าไปตัดสินหรือว่ามุ่งหน้าไปศึกษามากแบบนั้นจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นหลักการวางจิตทั่วไปนะพระพุทธเจ้าก็เตือนไว้เสมอแหละเรื่องนี้นะครับแต่ในสูตรนี้เตือนเรื่องเวลามีคนมาพยากรอรหันต์บางสูตรก็พูดเรื่องถ้ามีคนมาชม พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อย่าไปหลงเพลิดเพลินยินดีนะให้มีจิตใจเป็นกลางก่อนจึงค่อยไปพูดไปอะไรว่าไปถ้าคนไหนที่ใครมาชมพระรัตนตรยัยโอ้พระพุทธเจ้าดีอย่างนี้พระธรรมดีอย่างนี้พระสงฆ์ดีอย่างนี้แล้วไปหลงเพลิดเพลินกับเขาการหลงเพลิดเพลินนั้นจะเป็นอันตรายสําหรับคนนั้นแหละเป็นอันตรายเพราะว่าเราหลงเพลิดเพลินเราก็จะยึดมั่นถือมั่นเป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกัน อ, อันตรายแล้ว นะทีนี้ถ้าใครมาติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้พระธรรมไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้พระสงฆ์ไม่ได้เรื่องอย่างนั้นอย่างนี้มาติเตียนเข้าพอมาติเตียนเราก็ไม่หลงไปโกรธเขาไม่หลงไปปฏิเสธเขาแล้วค่อยให้เหตุผลได้ถ้าเขามาติเตียนแล้วเรายังหลงปฏิเสธอยู่ก็อย่าไปตีเข า, เขาทีเดียวนะีเรามาฝึกตนเองก่อนมาฝึกให้ สามารถวางใจได้ก่อนถ้าวางใจยังไม่ได้วางใจยังไม่เป็นยังมีความโกรธไปอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนเขาอยู่การอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนก็จะเป็นอันตรายสําหรับคนนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีหน้าที่มารักษาพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องไปรักษาท่านเพราะว่าท่านบริสุทธิ์อยู่แล้วเรารักษาตัวเองก็พอน เราไม่จำเป็นต้องไปรักษาท่านท่านบริสุทธิ์หรือประมาณแล้วไอเราเนี่มันมั่วไั้หมดนะนะอย่างนี้อันนี้ถ้าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็มีบางสูตรได้พูดถึงอย่างนี้บางสูตรก็พูดถึงถ้ามีคนมาพูดว่านี่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะท่านว่าอย่างนี้นะเราฟังแล้วก็อย่าไปหลงยินดีหรือว่ามีคนมาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนี้คุณเรียนมาผิด อย่างนี้เราก็อย่าไปหลงยินร้ายหรือว่าอย่าไปหลงปฏิเสธให้ฟังเขาไว้ก่อนแล้ววางใจให้เป็นแล้วก็จดคําเขามาหรือว่าท่องคําเขามาเอามาเปิดดูมาเทียบดูอย่างนี้นะแต่ถ้ามันฟังแล้วยังหลงยินดีหลงยินร้ายหลงปฏิเสธหลงเครียดวิตกกังวลอยู่นั่นอันนี้เราก็ต้องมาฝึกตนเองก่อนจนกว่าตนเองจะสามารถวางใจได้ค่อยไปทําเรื่องอื่นนะครับ ก็เราใช้ตัวเองไปทำโน่นทํานี่อยู่เรื่อยแต่ตัวเองไม่พ้นทุกข์ก็ไม่รู้จะทําไปทําไมก็คนที่ไปทำนี่คือตัวเราแหละนะที่จะไปช่วยคนโน้นคนนี้แต่ช่วยตัวเองไม่รู้ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ไม่รู้จะช่วยไปทําไมอย่างนี้นะฉะนั้นมันต้องเข้าใจประเด็นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อมีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ท่านพยากรณ์อรหัตผลมา ก็ไม่ควรจะไปหลงเพลิดเพลินยินดีแล้วก็ไม่ควรจะปฏิเสธท่านด้วยถ้าเราฟังมาแล้วโอ้หลงยินดีอันนี้ก็เลิกไปเลยเราไม่ต้องไปทําข้ออือ่นแร้วไปฝึกให้เลิกยินดีก่อนนะหรือว่าฟังมาแล้วโอ๊้ไปปฏิเสธทันว่าไม่ใช่ล็อกอย่างโน้นอย่างนี้เกิดอคติขึ้นมาในใจว่าเอ้ยมาพูดได้ยังไงอย่างนี้อะไรพวกนี้นะอันนี้ก็ยังไม่ต้องไปชําระข้ออื่นแร้วไปชําระตัวเองซะก่อนมันไม่ผ่านประเด็นนี้ นะครับฉะนั้นการฝึกฝนให้รู้เท่าทันจิตใจตนเองไม่หลงไปมีอคติทั้งด้านฝ่ายชอบและฝ่ายไม่ชอบให้เป็นคนมีสติปัญญาให้เป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่เอาความกลัวมาว่าหรือว่าไม่เอาความโง่ความหลงของตนเองมาว่าอันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการชำระเรื่องต่างๆหรือว่า ในการศึกษาเรื่องต่างๆให้มันละเอียดขึ้นนะครับถ้ายังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ศึกษาที่ตัวเองไปขนาดที่ตัวเองนี่ยังศึกษาไม่ท่วนทั่วหรือว่ายังไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเราอยู่กับตัวเราแท้ๆเลยเห็นเอยู่ยังไม่เข้าใจเลยการที่เราจะไปเข้าใจคนอื่นหรือว่าเข้าใจพระพุทธพจน์ที่เป็นอย่างนี้มันก็คงจะหมดประโยชน์ไปแล้วหมายถึงว่ามันเป็นไปไม่ได้นั่นเอง ขนาดตัวเองแท้ๆนี่เห็นเอยู่ยังไม่เข้าใจเลยแล้วจะไปเข้าใจอันที่ลึกซึ้งที่ท่านบอกเอาไว้นี่มันจะเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้น่ะบางคนเขาตัวเองก็ไม่เข้าใจนะเขาไปอ่านเขาคิดว่าโอ้เข้าใจแล้วท่านว่ายอย่างนี้อย่างนี้ว่าท่านว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้เราว่าเอาเองหรือเปล่กาก็ไม่รู้แล้วทีเนี้ยมันก็เลยวนเวียนกันไปกันมาอย่างเนี้ยนะครับฉะนั้นถ้าจะเข้าใจนะก็เข้าใจตัวเองก่อนเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วไม่หลงไป ยินดีไม่หลงไปปฏิเสธอันนั้นแหละจึงจะเริ่มการศึกษาได้คือไม่อคตินั่นเองก็เหมือนเรื่องทั่วไปนี่แหละถ้าเราฟังคนสองคนคนหนึ่งเราชอบคนหนึ่งเราไม่ชอบถ้าฟังด้วยใจเป็นกลางได้เนี่ยก็ถือว่าเริ่มมีการศึกษาแต่ถ้าฝ่ายดีเราชอบฟังก็เข้าล็อกอยู่เรื่อยฝ่ายไม่ชอบก็หาเรื่องไปปฏิเสธเขาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็มันไม่ได้อะไร คงจะได้แต่ความทุกข์ไปอย่างนั้นะนะนะครับฉะนั้นพระองค์สอนให้เราไม่หลงเพลิดเพลินยินดีแล้วก็ไม่ปฏิเสธด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆนะเราอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ไม่จำเป็นต้องไปปฏิเสธเขาเราอาจจะไม่ชอบก็ได้ไม่พอใจก็ได้หรือว่าไม่เห็นด้วยกับเขาก็ได้อย่างม้าเหา่าอย่างนี้เราไม่เห็นจำเป็นต้องเห็นด้วยกับม้าเหา่าใช่ ไม่เห็นด้วยกับมันแต่เราก็ไม่ปฏิเสธมันเราก็ยินดีกับมันหรือว่ายอมรับมันได้เออมันเป็นอย่างนั้นของมันแต่เราไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยฝนตกน้ําท่วมเราก็ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยแต่ยอมรับมันได้อันเนี้ยมันจึงเป็นความสวยงามอันหนึ่ง น, นะครับอันนี้แหละเป็นลักษณะที่ไม่ยินดีแล้วก็ไม่ปฏิเสธอันนี้เป็นการฝึกที่สําคัญมากนะอันเนี้ยนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะยอมรับคนอื่นไม่ได้นะ คนอื่นเราไม่พอใจไม่ชอบเลยคนนี้ทําอย่างนี้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่พอใจเขาแต่จริงๆไม่เห็นด้วยเราก็ชอบเขาได้นะอย่างเนี้ยนะของเราต้องเห็นด้วยจึงจะชอบใช่ไหมไม่เห็นด้วยมันชอบไม่ลงจริงๆเขาว่าอย่างนี้นะจริงๆไม่เห็นด้วยกับการมันก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นก็ดีแล้วน่ะมันก็เป็นความรู้อีกแง่มุมหนึ่งหรือว่ามุมมองอีกันหนึ่ง ซึ่งเราอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ก็เป็นมุมมองที่น่าพอใจหรือว่าแปลกๆดีอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ต้องฝึกให้เป็นแบบนี้นะก็คือได้ยินแล้วหลังจากมีภิกษุพยากรณ์อาราหัตผลว่าขีนาชาติวุสิตังพรมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทธตายะแล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่พึงเพลิดเพลินยินดีไม่พึงปฏิเสธคําของภิกษุนั้นนะพอไม่เพลิดเพลินยินดีไม่ปฏิเสธแล้วค่อยตั้งคําถามหรือว่าค่อยพิจารณาองค์ต่อๆไปแต่ถ้าไปหลงเพลิดเพลินยินดีไปปฏิเสธตั้งแต่ต้นแล้วอันนี้ก็ไม่ควรไปทําอะไรแล้วเพราะว่าจะมีแต่ความผิดพลาดหน้าที่ของเราก็คือฝึกตนเองไปก่อนฉะนั้นการฝึกตนเองนี้จึงสําคัญที่สุดนะครับ อนะพินันติตวาอปปติโกสิตวาคลั้นไม่เพลิดเพลินยินดีคลั้นไม่ปฏิเสธแล้วปันโโหปุจจิตตโพก็มีปัญหาที่พึงถามว่านะครับพอไม่เพลิดเพลินนะพอท่านพูดมาอย่างนั้นเราก็ไม่หลงเพลิดเพลินยินดีไปไม่ปฏิเสธท่านด้วยท่านพูดมาอย่างนั้นเราก็มีคำคำถามที่ควรจะถามขึ้นมา ถามว่าจัตตารมอาวุโสโวหาราเตนะพักวตาชาณตาปัสตาอรหัตาสัมมาสัมพุทเธนะสัมมดักขาตาดูก่อนท่านผู้มีอายุโวหารสี่ประการเหล่านี้อันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหรันตแต่สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วนะผู้ที่ มีหลักการที่ถูกต้องเขาก็จะอ้างพระพุทธเจ้าเอาไว้ก่อ น, นเวลามีคนมาบอกว่านี่ผมเสร็จกิจแล้ว น, น, นี่เป็นต้นนะหรือว่าชาติสิ้นไปแล้วเขาไม่หลงเพลิดเพลินไม่หลงปฏิเสธแล้วเขาก็กล่าวว่านี่มีโวงหารอยู่สี่ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ตรัสเอาไว้ดีแล้วนะครับอ้างพระพุทธเจ้า กตเมจัต า, ตารโอสี่ประการเป็นไฉนดิเถเททิถ ว, วาติตาก็คือคําพูดว่าเห็นในสิ่งที่ได้เห็นแล้วสุเตสุตะวาติตาคําพูดว่าได้ยินในสิ่งที่ได้ยินแล้วมุเตมุตะวาติตาคําพูดว่าทราบในสิ่งที่ได้ทราบแล้ววิญญาเตวิญญาตวาติตาคําพูดว่าได้รู้ในสิ่งที่ได้รู้แล้ว นะครับมีคำพูดหรือว่าโวหารที่เป็นของชาวโลกนี้อยู่สี่ประการเป็นธรรมดาของชาวโลกทั่วไปที่เขาพูดพูดกันอยู่เนี่ยก็คือพูดว่าได้เห็นนั่นเห็นนี่ในสิ่งที่ได้เห็นได้เห็นคนเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นต้นไม้เหมือนเรามาพูดกั น, นก็จะพูดถึงสิ่งที่มองเห็นใช่ไหมแต่ว่าของเรานี้มันยังไม่หลุดพ้นยังไม่ ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเวลาพูดแล้วก็ไปยึดติดคําพูดด้วยว่ามันเป็นจริงเป็นจังเราสังเกตตาตัวเองก็ได้อเวลาพูดให้เขาฟังเนี่ยตาตัวเองจะโตออกมามันน่าตื่นเต้นมันเป็นจริงเป็นจังนะครับฤทธิเถรฤทธิตาวาทธิตาก็คือกาพูดว่าได้เห็นในสิ่งที่ได้เห็นได้เห็นจริงๆนะได้เห็นคนนี้ยได้เห็นคนนั้นเวลาเรามาพูดให้กันฟังโอ้ได้เห็นนั้นะนะนะได้เห็นอันนี้ ได้เห็นรถยนต์ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ได้ดูทีวีได้ดูข่าวได้ดูนั่นดูนี่ <_ d ata> เวลาเราพูดพระหรหันต์ก็พูดอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่เกิดความรู้สึกจริงจังแต่พวกที่เป็นปูุ้ชนที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่จะรู้สึกจริงจังกับสิ่งที่ตัวเองพูดอุ้ยเราได้เห็นคนนั้นจริงๆตอนเราเห็นนั้นมันเป็นตอนหนึ่งมันดับไปตั้งนานแล้วแต่เราตอนเรามาพูดนี่เป็นอีกตอนหนึ่งเราก็อุ้ยนี่เห็นจริงๆริงนะเนี่ยกลัวเขาไม่เชื่อ จริงมันดับไปตั้งนานแล้วคือมันไม่จริงแล้วนั่นเองพูดง่ายสิ่งที่จริงตอนนี้ก็คือตอนกําลังพูดอยู่น่ะอย่างนี้พวกผุุ้ชนทั้งหลายก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นมีการกล่าวว่าเห็นในสิ่งที่เห็นเราก็เป็นอย่างนี้กันเนาะนี่สุเตสุตวาติตากล่าวว่าได้ยินในสิ่งที่ได้ยิน เราได้ยินเรื่องนั้นเรื่องนี้มาได้ยินคนชมได้ยินคนว่าได้ยินเพลงนั้นเพลงนี้เพลงเพราะเพลงไม่เพราะพอได้ยินมาแล้วตอนได้ยินมันก็ได้ยินแหละได้ยินเสียงก็เกิดดับการได้ยินก็เกิดดับอะไรก็เกิดดับหมดแล้วเราก็เอามาพูดเวลามาพูดนี้เป็นจริงเป็นจังไหมอ่าเนี่ยการเป็นจริงเป็นจังกับของที่ดับไปแล้วนี่ก็เรียกอุปาทาน <laughs> พระหันจะไม่รู้สึกอย่างนี้นะเนี่ย มเตมุตาวาติตาคําพูดว่าได้ทราบแล้วในสิ่งที่ได้ทราบมุตานี้ก็เป็นลักษณะของจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสสมอย่างนะนิตถาวาติตาก็ตาเห็นสุตาวาติตาก็หูได้ยินมุตาวาติตาก็จมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสและกายสัมผัสก็เอามาพูดพูดแล้วก็เป็นจริงเป็นจังคําพูด ในสิ่งที่เคยเกิดมาแล้วเนี่ยว่าเป็นจริงเป็นจังเลยเรียกว่ายิเถิดิทดวาติตาพูดว่าได้เห็นในสิ่งที่ได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วแสดงว่าเห็นนั้นมันดับไปแล้วแต่เรากาลังมาพูดอยู่สิ่งที่เป็นจริงตอนนี้คือกาลังพูดแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เห็นไปแล้วนั่นมันจริงจังอยู่เนี่ยกาลังของความยึดมั่นถือมัน่นต่อไปก็ทางใจ วิญญาเตวิญญาตะวะทิตาคำพูดว่าได้รู้ในสิ่งที่ได้รู้แล้วโอ้เราสุขเราทุกข์อย่างเวลาเรามาพูดโอ้เราเศร้าเราสุขเราทุกข์เรารู้อย่างนั้นเรารู้อย่างนี้สิ่งที่เราพูดถึงมันดับไปแล้วสิ่งที่เป็นจริงตอนนี้ก็คือกำลังพูดอยู่นี่ยอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมแหววโวหารของชาวโลกที่เขาใช้กันก็มีอยู่สี่อย่าง อเมโออาวุโสจัตตารโวหาราเตนะพักวตาชาณตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะสัมมณัคขาตาดูก่อนท่านผู้มีอายุโวหารสี่ประการเหล่านี้แหละที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ชอบแล้วกะถังชาณโตปนายสมโต กรถังปัสโตก็ท่านรู้อย่างไรท่านเห็นอย่างไรอิเมสุจตุสุโวหาเรสุอนุปป า, ายะอาสวหิจิตตังวิมุตตังจิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในโวหารทั้งสี่ประการเหล่านี้นะท่านรู้อย่างไรเห็นอย่างไร จิตจึงหลุดพ้นจากอาสะวะทั้งหลายที่หลุดพ้นจากอาสะวะทั้งหลายเพราะอะไรเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในโวหารทั้งสี่ประการอย่างนี้เห็นไหมเราทั้งหลายนี่สร้างคำพูดขึ้นมาแล้วก็หลงกับคำพูดของตนเองอันนี้มันเกิดความยึดมั่นถือมั่นพระอรหันต์นี้ไม่หลงกับความคำพูดเหล่านี้เลยท่านพูดว่าจีวรของท่านก็จริงบาทของท่านก็จริงวัดของท่านของก็จริงแต่ว่าท่านไม่รู้สึกว่ามันจริงเลย แต่เรานี้ถ้าพูดว่าบ้านเราโอ้จริงจังเหมือนกันนะเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เวลาพูดถึงก็รู้สึกว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาการรู้สึกว่าเป็นจริงเป็นจังอันนั้นเขาเรียกอุปาทานนะครับนี่นะฉะนันมีโวหารอยู่สี่อย่างนะที่พระองค์ตรัสเอาไว้ซึ่งก็คือสิ่งที่เราพูดถึง รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมรูปมองเห็นได้ทางตาแล้วก็เอามาพูดเสียงที่ได้ฟังทางหูก็เอามาพูดกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็สิ่งที่รับรู้ทางใจมีเกินนี้ั้ยในโลกไม่เกินนะ <c oughs> นะได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วก็กระทบอารมณ์ภายนอกแล้วก็เอาเรื่องนั้นแหละมาพูดพอมาพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างก็หลงยึดมั่นถือมั่นกับคาพูดของตนเอง โอ้ oh, อันนี้มีค่าอันนี้ตำแหน่งนี้สูงกว่าพอเราบอกว่าตำแหน่งนี้สูงกว่าเราก็รู้สึกสูงกว่าจริงๆด้วยอันนี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นตำแหน่งนี้สำคัญเราก็รู้สึกสำคัญจริงๆซะด้วยการเรียนให้จบมันดีนะสำคัญนะเราก็รู้สึกสำคัญจริงๆด้วยเนี่ยมันหลงไปตามคําพูดหลงไปตามบัญญัติของชาวโลกที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยโวหารคาพูดของชาวโลกที่เขาตั้งขึ้นมา การตั้งคำพูดขึ้นมาก็เพื่อใช้สื่อสารกันเท่านั้นเองทีนี้เราทั้งหลายไม่ได้ใช้แค่สื่อสารแต่ว่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเราทั้งหลายจึงพากันมีตำแหน่งมีอะไรเป็นนั่นเป็นนี่ตามสังคมเยอะแยะเต็มไปหมดนะเนี่ยสังคมเขาบอกเราดีเราก็รู้สึกดีไปด้วย อ, อย่างนั้นอย่างนี้เข้าท่าเราต้องพยายามทำให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆเป็นแค่บัญญัติที่ใส่เข้ามาเท่านั้นเอง เป็นแค่โวหารเป็นแค่คำพูดแต่เราทั้งหลายก็คงชอบพูดถึงเนาะอย่างนี้นะครับทีนี้คนที่เป็นพระอรหันแล้วท่านจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในโวหารทั้งสี่ประการเหล่านี้และฉะนั้นก็สามารถตั้งคำถามท่านได้ว่าท่านเห็นยังไงท่านรู้ยังไงเห็นยังไงจึงทำให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในโวหารทั้งสี่ประการเหล่านี้ ฉะนั้นจิตจะหลุดพ้นได้นะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้ายังยึดมั่นถือมั่นอยู่จิตจะไม่มีทางหลุดพ้นได้ง น, นหน้าที่ของเราทั้งหลายก็มาฝึกฝนให้เลิกยึดมั่นถือมั่นในที่นี้คำถามที่ต้องชำระอันที่หนึ่งก็คือเลิกยึดมั่นถือมั่นในคำพูดของชาวโลกเอาเป็นแค่คำสื่อสารแลวไม่เห็นว่ามันเป็นจริงเป็นจัง ถ้าเห็นว่ามันเป็นจริงเป็นจังเมื่อไหร่ น, นั่นแหละเขาเรียกอุปาทานยึดมั่นถือมั่นนะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ลองไปสังเกตตัวเองนะเวลาเราพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดถึงคนนั้นคนนี้พูดถึงเรื่องคนที่ทําให้เราเจ็บใจพูดถึงเรื่องคนที่ทําให้เราพอใจมันจริงจังอาการที่เรารู้สึกจริงจังขึ้นมาเนะี่ยเขาเรียกอุปาทานเราก็สังเกตได้ ถ้าพูดแบบไม่มีอุปาทานมันก็จะไม่รู้สึกจริงจังอะไรขึ้นมาเป็นแค่ตอบไปงั้นๆแหละอ่าเป็นแค่การสื่อสารอย่างนี้นะครับพระราหัสนั้นท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องคําพูดแล้วเป็นแค่การสื่อสารเท่านั้นเองทีนี้ภิกษุรูปที่พยากรณ์อรหัตผลก็จะตอบในย่อหน้าสุดท้ายในหน้าที่หนึ่งอ่านพร้อมกันนะครับขีนาสวัสด พิกเวภิกุโนวุสิตาวโตกาตากรณียัสสะโอหิตาภารัสสะอนุปัตตสดสัทธะปริกขินะพวสัญโยชนัสสะสัมมาดัญญาวิมุตตสสะอยะมนุธรรมโมโหติเวยากรนายะ ดิเถโข อ, อหังอาวุโสอนุปาโยอนาปาโยอนิสิตโตอปฏิพัทธโทวิปมุตโตวิสังยุตโตวิมริยาดีกเตนะเจตสาวิหรามิสุเตโข อ, อหังอาวุโส มเตโคอหังอาวุโสวิญญาเตโคอหังอาวุโสอนุปาโยアナปาโยอนิสิตโตอัปติพัทโตวิปปมุตโตวิสังยุตโตวิมริยาดีกเติณเจตสาวิหรามิ เอวังโขเมอาวุโสชาณะโตเอวังปัสโตอิเมสุจะตุสุโวหาเรสุอนุปาดายะอาสวหิจิตตังวิมุตตันติตัสะพิกเวพิกุโนสาทุติภาสิตัง อภินันติตั บ, บังอนุโมดิตต บ, บังสาธุติพาสิตังอภินันติตวาอนุโมดิตวาอุตริงปันโหปุจจิตตโบเรื่องแรกที่ควรชำระก่อนหรือว่าถาม ท่านที่พยากรตนเองว่าเป็นอรหันต์ก็คือเรื่องโวหารสี่คือเป็นคําพูดของชาวโลกเรื่องบัญญัติที่ชาวโลกเขาพูดพูดกันว่าท่านรู้ยังไงเห็นยังไงจึงมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานไม่ยึดมั่นถือมั่นในโวหารสี่ประการเหล่านี้ขีนาสวัสด พิกเวพิกุโนวุสิตะวะัโตกาตะการณียสสะโอหิตะพารสสะอนุปปัตตะสะัตัสสะปริขีณาภาวะสัญโยชนัสสะสั ม, มะดัญยญวิมุตตสะนะคำพูดที่เป็นบาลีอันเหล่านี้นะแสดงคุณสมบัติของพระขีณาสกหรือว่าของพระละหันดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ที่เป็นพระขี่นาศขี่นาสวัสดิ์นะภิกษุที่เป็นขี่นาศผู้ที่มีอาสวะสิ้นไปแล้วมีเครื่องผูกพันจิตหมดไปแล้วนะเครื่องผูกพันจิตเอาไว้ทําให้จิตไม่เป็นอิสระนะเหมือนเราโดนเชือกผูกเอาไว้อันนี้ไม่เป็นอิสระกระดุกกระดิกไปไหนก็ไม่ได้ทําให้เกิดการวนเวียนอยู่ส่วนผู้ที่เป็นอิสระก็เหมือนมีมีดมาตัดเชือกออกไปแล้วจิตก็เป็นอิสระ มีดที่ใช้ตัดเชือกคือปัญญากำลังที่ช่วยพวกสมาธิพวกศีลต่างๆนะบุคคลยืนอยู่บนแผ่นดินคือศีลมีกำลังคือสมาธิใช้มีดคือปัญญาตัดเชือกคืออาสวะที่มันผูกออกไปจิตก็เป็นอิสระหลุดพ้นไปอย่างนี้นะครับเลยเรียกว่าขีนาสวะพระขีนาศพู้ที่มี อาสวะสิ้นไปแล้ววุสิตะวะโตผู้มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกัรตะกรณียัตสะมีกิจที่ควรทาได้ทําเสร็จแล้วโอหิตะพารัสสมีภาระอันวางลงแล้วภาระภาระคือขันธ์ทั้งห้ากายกับใจนียเขาเรียกว่าภาระขันธ์ห้าเป็นภาระหนักเนอเคยท่องไหมต้องกลับไปท่องดูขันธ์ห้าเนี่ยเป็นภาระนัก ทนี้พระละหันนี้ท่านวางภาระอันนี้ลงไปแล้วไอเรานี้ภาระอันเก่ายังไม่ได้วางแบกแหลกลานไปหมดแล้วมีภาระอันใหม่ๆมาแบกเพิ่มด้วยนะวนเวียนกันไปมากเนะีฉะนั้นต้องศึกษาอันเก่านี่แหละแล้วก็วางวางภาระนะครับวางภาระพระละหันท่านวางภาระลงไปแล้วก็ไม่เกิดความหนักขึ้นมาในใจอีกต่อไปนะ เราอยากรู้ว่าเราแบกภาระวางได้ยึดภาระหรือว่าแบกให้มันหนักเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าเราก็ดูง่ายว่าตัวเองเรานี้มันหนักกว่าต้นไม้หรือเปล่าเรามองดูต้นไม้เบาไหมเฮ้ยเบามากเลยแต่ตัวเรานี้หนักเนี่ยอันนี้ก็คือเราแบกภาระแบกกายแบกใจแล้วนะครับแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีน้าหนักอะไรมันธรรมดาทั่วไปเราไปมองดูธรรมชาติลองมองกลับย้อนกลับมาดูที่ใจเราเอง ธรรมชาติมันดูลงๆไปมันเบาๆไม่เห็นมีอะไรเลยตัวเราทำไมมันหนักๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะอาการหนักๆอันนั้นเรียกว่าภาระเราแบกภาระอยู่แบกด้วยกําลังของความยึดมั่นถือมั่นนะหรือว่าเราเดินไปตามถนนเนี่ยรถมันก็วิ่งไปวิ่งมาไม่เห็นมันมีอะไรแต่ตัวเราพูดเดินนี่หนักเหลือเกินนะบางคนก็หนักกระทั่งสมองมึนตึบไปหมดได้ บางคนก็หนักอกหนักใจเขาไว้ไงนนะอันนี้ก็เรายึดภาระแล้วก็แบกเอาไว้ถ้าไม่ยึดภาระสิ่งภายนอกที่วิ่งไปวิ่งมาต้นไม้ใบหญ้าก็เหมือนกับเราไม่มีน้ำหนักเหมือนกันอย่างนี้นะอันนี้วิธีสังเกตง่ายๆว่าเราได้แบกภาระเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าถ้าดูเวลาที่มันหนักขึ้นมามากๆมันก็จะเกิดน้าหนักกดทับ ยืนไม่ค่อยอยู่เคยยืนไม่ค่อยอยู่ไหมเดินไม่ค่อยไหวอันนี้น้ำหนักเยอะแล้วนะก็คือน้ำหนักมันมาอยู่แถวหัวแล้วตอนนี้ <c oughs> บางคนก็มาอยู่แถวกลางตัวแล้วแน่นหน้าอกไปแล้วขาสั่นไปแล้วเดินไม่ค่อยไหวแล้วอย่างนี้นะน้ำหนักเยอะแต่ถ้าไม่ยึดมากนักนะจิตใจมีสติมีสัมปชัญญะดีตัวก็จะเบาเบาเหมือนของข้างนอกนั่นแหละเดินสบายมาก เดินได้นานเดินได้เยอะตัวเบานะครับบวกที่เดินแล้วตัวหนักไม่ใช่น้ําหนักเยอะนะความรู้สึกเดินด้วยความรู้สึกที่หนักๆ น, น, นั้นแสดงว่าอุปาทานมันมากมันยึดไปลองสังเกตเอานะส่วนพระหรหันต์นั้นไม่มีภาระหนักชนิดนั้นแล้วเพราะว่าท่านวางภาระไปแล้วจึงเรียก ท่านว่าโอหิตาพารสะอนุปั ต, ตสัณัตถะมีประโยชน์ของตนบรรลุแล้วพระอราหันต์นี่มีประโยชน์ตนที่ได้บรรลุแล้วต่อไปท่านก็สามารถทําประโยชน์ให้คนอื่นได้ตามสบายไอเราทั้งหลายนี่โดยส่วนใหญ่ชอบไปทําประโยชน์คนอื่นใช่ไหมส่วนตัวเองนี่ไม่ได้ทำสักทีชอบช่วยคนอื่นช่วยโน่นช่วยนี่ไปเรื่อยนะชอบช่วยให้คนอื่นมีความสุขเขาอะไรเงี้ยนะ ส่วนตัวเราผู้ช่วยนี่เป็นยังไงบ้างโอ้ยังไม่หายทุกเลยอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้อะไรฉะนั้นต้องทําให้ตนเองได้รับประโยชน์ซะก่อนให้ตนเองเข้าใจให้ตนเองมีความสุขให้ตนเองมีสติปัญญาซะก่อนจึงไปช่วยคนอื่นนะครับพระลรหันท่านก็บรรลุถึงประโยชน์ตนแล้วมีประโยชน์ตนที่บรรลุแล้วหมดแล้วจบประโยชน์ตนเองแล้ว ต่อไปสิ่งที่ท่านจะทําก็เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกทั้งหมดนะครับปริขีณภวะสัญโยชนะสะมีเครื่องผูกในภพคือภวะสัญโยดนั้นสิ้นไปแล้วเครื่องผูกสัตว์เอาไว้ในภพพระอรหันต์ท่านตัดสิ้นไปแล้วในภพนะกามาภพ บ, บ้างรูปภพ บ, บ้างอารูปภพ บ, บ้างเราทั้งหลายมีเครื่องผูกเอาไว้พวกภพบนี้ก็เหมือนหลักหลัก ที่เรายังอยู่ในภพได้ยังวนเวียนอยู่กับภพบเหมือนกับหมาที่มันวิ่งอยู่รอบหลักตอ น, นี้ก็เพราะว่ามีตัวผูกเอาไว้เพราะว่าสัญญน์เป็นเครื่องผูกคือเราไม่กล้าจะทิ้งมันนั่นเองทำไมเราจึงทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่กล้าจะทิ้งทุกข์นั่นแหละเราเพลิดเพลินอยู่กับทุกข์จึงทุกข์อย่างนี้นะเพราะยังไม่รู้ทุกข์ตามที่มันเป็นจริงไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์จึงทิ้งมันไม่ได้ อย่างนี้มันก็ซ้อนกันมาหลากหลายมาถึงที่สุดแล้วก็คือเพราะยังไม่รู้ทุกยังไม่รู้ว่าแท้ที่จริงมันเป็นภาระหนักเหลือเกินพอไม่รู้มันก็ทิ้งไม่ได้นะครับส่วนพระอรหันต์นั้นท่านมีภวะสั ญ, ญโยตสิ้นไปแล้วจึงเรียกชื่อท่านว่าปริขีณภวะสั ญ, ญโยชนสสะสัมมัดัญญาวิมุตตสสะเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบนะครับ สัมมาก็แปลว่าโดยชอบอัญญาก็แปลว่ารู้แล้ววิมุตตะแปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบนะการหลุดพ้นเนี่ยหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบไม่ใช่หลุดพ้นเพราะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันหลุดถ้าเมื่อไรเรายังไม่รู้นะเราอย่าไปคิดเรื่องการหลุดพ้นให้คิดเรื่องการรู้ก็พอนะที่เราฝึกฝนหรือว่ามีหน้าที่ต้องทาก็ทาเฉพาะตอนยังไม่มีความรู้เท่านั้นเอง ถ้ามันเกิดความรู้แล้วมันจะต้องเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นหน้าที่ของเราไม่ได้มีหน้าที่ไปหลุดพ้นหรือว่าไม่ได้มีหน้าที่ไปทำจะได้ไม่ยึดอะไรไม่ใช่อย่างนั้นหน้าที่ของเราคือมีหน้าที่ฝึกฝนเฉพาะตอนที่ยังไม่รู้เท่านั้นเองฝึกฝนก็เพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นพอเกิดความรู้แล้วก็หมดกิจที่ต้องทาแล้วตัวความรู้นั้นก็จะ ช่วยให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นไปพระอรหันต์จึงได้ชื่อว่าหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบรู้โดยถูกต้องรู้โดยถูกวิธีการรู้ตามที่มันเป็นจริงมันเป็นจริงยังไงก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้โดยถูกต้องรู้โดยครบแง่ครบมุมของมันแบบนี้ทำให้หลุดพ้นเนี่ยสาหรับ พระรหัรที่เป็นขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วมีพาระอันวางลงแล้วมีประโยชน์ตนอันบรรลุแล้วมีภาวะสัญญอดสิ้นไปแล้วเป็นผู้ที่หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบอายะมนุธรรมโมโหติเวยาการณาญาก็จะมีสิ่งที่สมควรอันนี้แหละที่ท่านจะพึงตอบคือมีคาตอบที่ถูกต้องให้ คนที่รู้จริงเนี่ยท่านก็จะตอบได้จริงเรียกว่าอนุธรรมโมโหติคือคำตอบชนิดที่สมเหตุสมผลคำตอบชนิดที่ถูกต้องสอดคล้องกับความจริงเพราะว่าท่านได้รู้จริงเนี่ยพอรู้จริงมันก็หมดความยึดมั่นถือมัน่นพอหมดความยึดมั่นถือมั่นจิตก็หลุดพ้นตัวเองรู้จริงยังไงก็เอามาบอกนต้องบอกได้อย่างแน่นอนนะครับบอกได้ เวลาบอกไปแล้วคนฟังจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องบอกได้อย่างแน่นอนทีเดียวถ้าให้อุปมาก็อุปมาได้เหมือนกันแต่อุปมานี้พูดไปแล้วคนฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่พูดได้อย่างนี้นะครับก็จะมีคำตอบที่เหมาะสมสำหรับพระราหารันท่านก็จะตอบว่านิเถโขอหังอาวุโสอนุปาโยอนปาโย อนิสิตโตอปติพัตโตวิปมุตโตวิสังยุตโตวิมริยาดีกเตนะเจตสาวิหรามิดูก่อนผู้มีอายุกระผมนั้นไม่ได้ยินดีในสิ่งที่เห็นอนุปาโยคือไม่ได้หลงแบบยินดีไปในสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นหญิงสวยหรือหญิงไม่สวยก็ไม่ได้มีการยินดีอะไรไปกว่ากัน หน้าเพลิดเพลินหน้าพอใจอะไรก็ไม่มีมนะีอนุปาโยคือไม่ได้หลงยินดีอนาปาโยแล้วก็ไม่เลยหลงยินร้ายด้วยไม่ได้หลงผลใสมันด้วยไม่ได้หลงปฏิเสธมันด้วยในสิ่งที่มองเห็นนั้นอ่อานิสิโตมีจิตไม่ได้อิงอาศัยสิ่งที่เห็นนั้นด้วยอํานาจตัณหาหรือกอับทิฏฐิหรือว่ า, ากิเลสอื่นๆจิตไม่รู้สึกว่าต้องอิงอาศัยมันเลย เวลาเราได้เห็นแล้วมันเป็นยังไงบ้างรู้สึกจะต้องอิงอาศัยมันอยู่เรื่อยเนาะเห็นดีๆโอ้ท่าทางจะเข้าท่าทีเหมือนเห็นไม่ดีก็โอ้เจ็บปวดขึ้นมาอยู่เรื่อยอย่างนี้นะแต่พระลราหาันนั้นท่านอนุปาโย ο, คือไม่เพลิดเพลินยินดีอนะปาโย ο, ไม่ยินร้ายไม่ผลักใสเห็นคนดีท่านก็โอเคเห็นไม่ดีท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะมีแต่เรื่องเข้าใจอย่างนี้อนิสิโต ไม่ได้อิงอาศัยสิ่งที่มองเห็นนั้นด้วยอํานาจตันหาหรือว่าด้วยอํานาจกิเลสต่างๆอปปิพัโทโธไม่มีความผูกพันด้วยเราอาจจะผูกพันกับพระละหัน์แต่พระละหันผูกพันกับเราไหมโอ้อย่าหวังเลย <c oughs> หวังหลงๆแรงเกินไปแล้วเหมือนเรากับผูกพันกับพระพุทธเจ้าโอ้เป็นลูกท่านอย่างนีกราบเช้ากราบเยน็นจ้างให้พระพุทธเจ้าก็ไม่มาผูกพันด้วยนะมีแต่จะทิ้งเราไปอย่างเดียว ท่านเป็นม้าฝีเท้าเร็วหนีไปก่อนแล้วไอเรานี่มัวแต่หลงเพลิดเพลินนอนหลับสนิทอยู่นั่นแนะลนะแต่เรานี่โอ้ยพระษาริบุตรโอ้กราบช้ากราบเย็นอย่างนี้เลือเกินก็มีนะแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอัปปติพัทโทคือไม่ได้มีความผูกพันใดใดเลยนะฉะนั้นที่เรารู้สึกผูกพันกับพระพุเทธเจ้ารู้สึกผูกพันกับภาษารีบุตรรู้สึกผูกพันกับพระมหากรสปะนี่ก็เป็นแค่ความรู้สึกของเราเท่านั้นเอง ส่วนความรู้สึกของท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านไม่มีความรู้สึกผูกพันกับใครนี่เป็นลักษณะไม่ผูกพันกับสิ่งที่เห็นเลยวิปปมุตโตพ้นไปอย่างยิ่งแล้วนะวิสังยุตโตพรากไปหมดแล้ววิมริยาดีกเตนะเจตสาวิหารามิเราอยู่ด้วยจิตชนิดที่กว้างขวาง ไม่มีขอบเขตใดๆเลยนเราทั้งหลายเป็นจิตชนิดที่มีขอบเขตใช่ไหมเวลาเห็นรูปทางตาจิตก็ไปเหลืออยู่เท่านั้นแหละเหลืออยู่แค่รูปที่มองเห็นนั่นแหละหลงไปกับอันนั้นแล้วหน้าพอใจไม่หน้าพอใจวิจารมันไปทั่วหลงไปกับอันนั้นนะอย่างนี้นะแต่พระละหันนั้นเป็นจิตชนิดที่ไรขอบเขตไม่มีเรื่องของขอบเขต นะครับอย่างนี้นะนี่สาหรับสิ่งที่มองเห็นท่านเขาบอกว่าท่านผู้มีอายุกระผมนั้นนะ่ะไม่ได้ยินดีในสิ่งที่มองเห็นไม่ได้ยินร้ายในสิ่งที่มองเห็นไม่ได้อิงอาศัยด้วยอำนาจกิเลสต่างๆในสิ่งที่มองเห็นเลยไม่มีความผูกพันเป็นผู้พ้นไปแล้วพรากจากมันไปแล้วดำเนินชีวิตอยู่ด้วยจิตที่ไม่มีขอบเขตไม่มีเขตแดน ฉะเราทั้งหลายนี่พากันมีเขตแดนมองเห็นปับ๊บก็อ้าวเป็นขอบเป็นเขตตอนมองเห็นยังจะดูกว้างนิดหน่อยทีนี้พอความคิดของตัวเองผุดขึ้นมาแล้วมีทัศนคติอุดมคติที่เต็มไปหมดเลยมีคําอธิบายความจํากัดความเต็มไปหมดเลยไอ้ความจํากัดความยิ่งแคบเข้าไปใหญ่บางคนเขา เรียนมาเยอะได้ความกำกัดความมามากก็โอ้ยตัดสินโน้นตัดสินนี่ไปเรื่อยอันนี้ก็ยิ่งแคบไปเรื่อยแคบไปเรื่อยแคบไปเรื่อ ย, อยฉะนั้นเรียนเยอะๆไม่ใช่จะกว้างขึ้นนะเรียนเยอะๆก็จะแคบลงแคบลงไปเรื่อยเพราะว่ามันคือความไม่รู้นั่นเองบางคนก็บอกว่าเรียนเยอะๆดีเขาว่าอย่างนี้น ะ, ะฉะนั้นก็อย่าเรียนเยอะนะนะ ต้องมีจิตแบบวิมริยาดีกเตนะเจตสามีจิตชนิดที่ปราศจากขอบเขตไม่มีเขตแดนอย่างนี้นะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรไม่วางกรอบตัวเองเมื่อไม่วางกรอบตัวเองตัวเองก็เป็นทั้งหมดแล้วเมื่อเป็นทั้งหมดมีทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องอยากได้อะไรอีกเพราะมันมีหมดแล้วไงของเรานี่โอ้วางกรอบตัวเองเอาไว้ใช่ไหมขอบมีกรอบมีอะไรโอ้ วุ่นวายกันไปหมดนะครับนี่เห็นไหมแค่คำพูดโวหารของชาวโลกในสิ่งที่มองเห็นคนหญิงชายสวยไม่สวยน่ารักไม่น่ารักเนี่ยบางคนก็มีอิทธิพลมากจนต้องทำโน่นทำนี่มากมายแค่คำพูดของคนเท่านั้นเองนะนี่แค่เรื่องโวหารเท่านั้นเองเนี่ยชาวโลกมันยึดมั่นถือมั่นเนี่ยทาแบบนี้น่าจะดีแค่เขาพูดอย่างนี้เท่านั้นเองเราก็หลงไปทาตามเขา ทำแบบนี้ไม่ได้นะ่าเกลียดน่าเกลียดจริงหรือไ ม, ไม่จริงเราก็ไม่รู้นะทำตามเขาไปเรื่อยนะแต่พระละหันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะในด้านคำพูดก็เหมือนกันสุเตโขอาหังอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุกลับผมนั้นไม่ได้หลงยินดีไม่ได้หลงยินร้ายกับเสียงที่ได้ยินแล้วก็ทำานองเดียวกันนะมุเตโขอาหางอาวุโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุกระผมนั้นไม่ได้หลงเพลิดเพลินยินดีกับสิ่งที่ได้ทราบแล้วทั้งกลิ่นทั้งจมกูกรสทางลิ้นสัมผัสถูกต้องทางกายวิญญาเตโขอหังอาวุโส อ, อนุปาโย ο. ดูก่อนท่านผู้มีอายุกระผมนั้นไม่ได้มีความยินดีในสิ่งที่รับรู้ทางใจแล้วหลังจากรับรู้ทางใจแล้ว วิญญาเตคือได้รับรู้ทางใจแล้วคิดนั่นบ้างคิดนี่บ้างก็ไม่ได้หลงยินดีคิดดีก็ไม่ได้ยินดีนะคิดไม่ดีก็ไม่ได้ยินร้ายอะไรอนป่าโย ο, ไม่ได้หลงยินร้ายอนิสิตโตมีจิตไม่อิงอาศัยสิ่งที่ได้รู้ทางใจนั้นอปปติพัตโตไม่มีความผูกพันวิปปมุตโต หลุดพ้นไปแล้ววิสังยุตโตพลากไปแล้ววิมยิราวิมริยาดีกเตนะเจตสาวิหารามิมีจิตชนิดที่ปราศจากเขตแดนอยู่เอวังโขเมอาวุโสชาณโตเอวังปัสะโตอิเมสุจตูสุโวหาเรสุ อนุปาดายะอาสวหิจิตตังวิมุตตังดูก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อกระผมรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในโวหารสี่ประการเหล่านี้นะเมื่อรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้นะจิตก็หลุดพ้นจันหนาที่ของเราเพียงแต่รู้เท่านั้นเองถ้ารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล จิตก็จะหลุดพ้นหลุดพ้นเพราะอะไรเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในโวหารทั้ง4ประการในคําพูดต่างๆฉะนั้นอาการความยึดมั่นถือมั่นนะก็คือเรารู้สึกเป็นจริงเป็นจังกับสิ่งที่มองเห็นแล้วสิ่งที่มองเห็นแล้วเนี่ยมันดับไปแล้วใช่ไหมเรายังรู้สึกเป็นจริงเป็นจังสิ่งที่ได้ยินแล้วสิ่งที่ได้ทราบแล้วทางใจสุขบ้างทุกข์บ้าง เวลาเรารู้สึกเป็นสุขโอ้สุขมันรู้สึกมีอิทธิพลเยอะเหมือนกันเนาะเป็นทุกข์รู้สึกมีอิทธิพลเยอะอันนี้แสดงว่าเราหลงไปตามคำต่างๆที่เขาตัดสินกันเขาตัดสินว่าสุขมันดีใช่ไหมเขาว่าอย่างนี้นะเราก็ว่าตามเขาทุกข์มันไม่ดีใช่ไหมเราก็ว่าตามเขาไปแต่ยิ่งสุขเป็นของเกิดดับทุกข์ก็ของเกิดดับน่นมันเป็นธรรมดาของมันนะ ของเราโอ้สวยดีไม่สวยไม่ดีอย่างนี้ยแต่คนไม่สวยก็เหี่ยวเลยทีนี้มันก็วนไปวนมาอย่างนี้พยายามจะสวยอย่างเขาให้ได้นีอย่างนี้นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้เพราะว่ามันหลงไปตามโวหารของชาวโลกหลงไปตามการตัดสินที่เขาให้ค่าบวกลบดีชั่วถูกผิดอะไรต่างๆในทางโลกกันซึ่งเราก็มีเยอะแต่ไปหมดอยู่แล้วนะเขาก็ตัดสินกันไปทั่วแหละ อันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้มีค่ามากกว่าอันนี้ค่าน้อยกว่าถ้าเรายังหลงไปตามสิ่งเหล่านั้นเห็นว่ามันเป็นจริงเป็นจังนั้นเรียกว่าอุปาทานพระอราหันต์ไม่มีอย่างนั้นแล้วเพราะว่าท่านไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไม่หลงเพลิดเพลินไม่หลงปฏิเสธจิตไม่อิงอาศัยสิ่งเหล่านั้นแหละเงินล้านหนึ่งกับบาทหนึ่งสำหรับท่านนี้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้อิง ถ้าเราเองใช่ไหมโอ้เยอะๆถ้าจะดีกว่าเนี่ยรู้สึกเหมือนอิงขึ้นมานะครับไม่มีความผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้นะครับนะถ้าอยากรู้ว่าพระละหันไม่มีความผูกพันยังไงก็ลองไปอ่านเรื่องต่างๆของท่านดูน ะ, อะลองไปอ่านดูหรือดูอย่างเรื่องพระลระปาละเคยได้ยินั้ยพระละถาละนี่หนีพ่อหนีแม่ไปบวดนะ ตอนหลังได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วพ่อแม่รวยมากนะแล้วก็มีภรรยาเก่ามาด้วยตอนหลังท่านก็กลับมายี่ยมบ้านพ่อแม่ก็นิมนต์มาฉันเอาทรัพย์สินเงินทอง ม, มากองไว้เต็มหน้าเลยนะพาเมียเก่ามาด้วยบอกว่าให้ศึกมาเถอะเนี่ยมาทําบุญพระราธปาร่างก็เลยบอกว่านี่ช่วยขนไปทิ้งทะเลหน่อยได้ไหมเนี่ย ก็เพราะไอ้ทรัพย์สินเงินทองที่กองอยู่ตรงหน้าไม่ใช่แล้วจึงพากันทุกทรมานอยู่เนี่ยถ้าไปทิ้งทะเลน่าจะสบายกว่านี้นะอย่างเงี้ยนะโอ้ทักรได้ฟังคงหัวใจวายอจริงๆ น, น, นี่พระละหันนะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเราอยากรู้เราก็ไปอ่านในพระไตรปิฎกอ่ยจะมีคําพูดเพราะๆให้ฟังนะบางทีเราฟังดูอาจจะหงายท้องไปเลยก็ได้จะไม่เหมือนกับที่เราคิดหรอกนะครับ นี่เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายมีความยึดมั่นถือมั่นหลงอยู่กับโหหารหลงอยู่กับคำบัญญัติหลงอยู่กับการให้ค่าของชาวโลกแต่พระลรหันไม่มีแล้วนะแล้วที่ไม่มีนั้นเพราะรู้ยังไงเห็นยังไงพระลรหันก็จะต้องตอบได้นะครับเหมือนที่ท่านตอบในที่นี้คือไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไม่มีใจที่เกี่ยวข้องไม่มีความผูกพัน ไม่มีจิตอิงอาศัยมีแต่ความหลุดพ้นและเป็นจิตชนิดที่ปราศจากขอบเขตปราศจากขเขตแดนไม่มีเรื่องดีเรื่องชั่วไม่มีเรื่องถูกเรื่องผิดอะไรมาเกี่ยวข้องในใจแล้วอย่างนี้นะครับเมื่อท่านนี้ภิกษุท่านที่พยากรอราหาันตผลพูดอย่างนี้แล้วก็ควรจะอนุโมทนากับท่านแล้วครั้งที่หนึ่งแล้วก็ต่อไปก็จะมีข้ออื่นๆถามต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่ตอบเท่านี้แล้วเลิกเลยนะ นะต้องถามต่อไปอีกมีข้อให้ถามตัสสะภิก เ, เวพิกุโนสาธุติบาสิตังอภินันติตับบังอานุโมติตัังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงยินดีพึงอนุโมทนาคำของภิกษุนั้นว่าดีแล้วดีแล้ ว, ลวคือสาธุสาธุสาธุติบาสิตังอภินันติตวาอานุโมติตวา ครั้นเพลิดเพลินยินดีครั้นยินดีครั้นอนุโมทนาคำของท่านว่าสาธุแล้วอุตตริงปันโหปุจจิตาโบก็มีปัญหาที่พึงถามให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าก็จะเป็นคำถามที่สองฉะนั้นถ้าใครมาชำระใครมาพูดเรื่องทานองเกี่ยวกับการบรรลุอรหันต์นะพยากรอรหัตผลถ้าเรามีจิตใจที่พร้อม อยากจะรู้สงสัยว่าเป็นจริงไหมอะไรอย่างนี้นะก็มีข้อที่เป็นสิ่งที่จะนำไปชำระทำให้เกิดความกระจ่างได้ที่พระพุทธเจ้าแนะนํนำไว้แต่ว่าตอนต้นเราต้องไม่หลงเพลิดเพลินยินดีไม่หลงปฏิเสธท่านก่อนแล้วเราค่อยทำตามข้อต่อๆมาโดยข้อแรกก็คือเอาเรื่องโวหารบัญญัติของชาวโลกนี่มาพูดนะดูสิว่าอันไหนมีค่ากว่ากัน ระหว่างสวยกับไม่สวยอุย้ยสวยมีค้ามากกว่าอย่างนี้คงจะหงายไปแล้วนะพระละหันต้องไม่มีความติดข้องทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีทั้งค่ามากค่าน้อยโวหารชาวโลกต่างๆนี้จะไม่มีผลกับท่านเลยนะครับฉะนั้นในลักษณะของพระลระหาันท่านจึงไม่เกี่ยวกับว่าพูดเพราะหรือพูดไม่เพราะถ้าท่านจะพูดก็พูดแต่คาจริงพูดแต่สัจจะเท่านั้น การเวลาท่านพูดสัจจะออกมาเราอาจจะไม่ชอบก็ได้อันนั้นเป็นเรื่องของเรานะครับแต่บางท่านจึงรู้สึกว่าพระละหันบางรูปก็พูดไม่เพราะก็มีเพราะว่าพูดจริงเกินเราทั้งหลายคงชอบแบบหลอกๆ ก, ก, กันนะั่นเนาะอ่ก็ลองไปอ่านดูนะประวัติพระอะหันต่างๆในพระไตรปิฎกหรือว่าในอุทานต่างๆที่ท่านกล่าวคาถาออกมาก็จะมีเยอะนะครับต่อไปก็จะมีคําถามเป็น คำถามสำหรับชําระข้อที่สองในบาลีข้อ99ในหน้าที่สองอ่านพร้อมกันนะครับปัญจโขอิเมอาวุโสอุปาดานขันธาเตนะภควตาชาณตาปัสตาอาระหาตาสัมมาสัมบุตเทนะสัมมาดัชขาตา กาตเมปัญจะเสยถีดังรูปูปาานักขันโธเวดูปาานักขันโธสัญยูปาานักขันโธสังขารูปาานักขันโธวิญญาณูปาานักขันโธอิเมโขอาวุโสปัญจุปาานักขันธา เทนะพักวตาชาณตาปัสตาอารหาตาสัมมาสัมพุทเธนะสัมมาดัก ข, ขาตากะถังชาณะโตปนายสมะโตกะถังปัสโตอิเมสุปัญจสุอุปานักขันเทสุอนุปายะอาสเสวหิ จิตตังวิมุตตันติต่อไปก็เป็นคําถามที่สองปันจัคโขอิเมอาวุโสอุปาปานขันธาเตนะภควตาชาณาปั ส, สตาอารหาตาสัมมาสัมบุตเถนะสัมมณัคขาตาดูก่อนท่านผู้มีอายุอุปาทานขันทั้งห้าเหล่านี้ขันทั้งห้าอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่น เป็นอารมณ์ของความยึดติดเป็นอารมณ์ของความติดข้องห้าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ชอบแล้วกตเมปัญจะห้าประการอะไรบ้างเสยถีดังได้แก่รูปูปานานขันโท Mirror. ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นกล่าวคือรูปเวเดนูปาดานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นกล่าวคือเวทนาสัญญูปาดานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นกล่าวคือสัญญาสังขารูปาดานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นกล่าวคือสังขาร วิญญาณูปาดานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นกล่าวคือวิญญาณกลุ่มส่วนประกอบที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นมีห้าอย่างด้วยกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาเราจะยึดเราก็ยึดที่สิ่งนี้นั่นแหละนะยึดที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ถ้าจะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราก็จับสิ่งพวกนี้แหละมาเห็นผิดว่าเป็นตัวเราจับสิ่งพวกนี้แหละมายึดติดว่าเป็นของเราจับสิ่งพวกนี้แหละมาเกิดความมีความสำคัญตนว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ไม่เกินนี้เลยนะไม่มีอะไรเกินนี้มีแต่ขันห้าฉะนั้นเมื่อแยกลงไปดูให้เห็นชัดเจนแล้ว ตัวเราของเราจึงไม่มีจริงไม่มีตัวเราในขันห้าแล้วก็ไม่มีตัวเรานอกขันห้าด้วยมีแต่ส่วนประกอบอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นเฉยๆนะอย่างนี้นะครับพอถอดส่วนประกอบออกไปดูแล้วมองดูแล้วไม่เห็นมีตัวตนอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีตัวไม่มีตนมันก็ทำงานได้ของมันนะนะแต่เหล่านี้เข้าใจผิดอยู่ แม้แต่ความเข้าใจผิดก็ไม่มีตัวตนอีกเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความไม่รู้จากอาวิชชาอาวิชชาก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเหมือนกันแม้แต่ความรู้สึกว่าเป็นเราก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเหมือนกันหาตัวตนอะไรจริงๆไม่ได้มีแต่สิ่งที่มันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยนะครับ อเมโออาวุโสปันจุปานานขันธาเตนะพระวตาชาณตาปั ส, สตาอารหัตาสัมมาสัมพุทธเถนสัมมรักขาตาดูก่อนท่านผู้มีอายุขันทั้งห้าอันเป็นที่ตั้งของอุปาทานเหล่านี้แหละอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้ว กระถังชาณโตปนานยสมาโตกระถังปั ส, สโตก็ท่านรู้อย่างไงเห็นอย่างไงรู้อย่างไรเห็นอย่างไ ร, ร, อ, งไ ร, อ, งไรอิเมสุปัญจสุอุปาานขันเทสุอนุปาดายะอาสเวหิจิตตังบิมุตตังจิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานขันทั้งห้าเหล่านี้ ที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นก็มีหอย่างนี้แหละท่านรู้ยังไงเห็นยังไงจิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานขันทั้งห้าอย่างนี้เหล่านี้นะครับฉันข้อถามกันที่ความรู้ไม่ได้ถามกันที่ว่าเอา้าหลุดพ้นอะไรบ้างพ้นจากอะไรอะไรไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะถามกันที่ความรู้รู้ยังไงเห็นยังไงนะถ้า เราถามแล้วท่านรู้ยังไงเห็นยังไงจึงหลุดพ้นถ้าตอบแล้วไม่เหมือนอย่างนี้ก็แสดงว่าเขารู้ผิดผิดะรู้แบบผิดผิดเป็นมิจฉาญาณรู้ผิดผิดพอรู้ผิดผิดก็คิดว่าตัวเองหลุดพ้นได้เหมือนกันเรียกว่ามิจฉาวิมุตติคิดว่าตัวเองรู้แต่จริงๆไม่ได้รู้จริงหรอกคิดว่าตัวเองหลุดพ้นแต่จริงๆไม่ใช่หลุดพ้นจริงๆหรอกอย่างนี้นะ บางคนก็ไปบังคับขมจิตเอาไว้จนกระทั่งจิตนิ่งไปไม่มีกิเลสเกิดขึ้นไม่รู้สึกว่ามีตัวมีตนนิ่งไปเลยอย่างนี้ก็ น, นึกว่ า, าหลุดพ้นแล้วแต่จริงๆไม่ใช่รู้จริงหนอกเป็นมิจฉาญาณนกะ็มีมิจฉาญาณรู้ผิดๆพอรู้ผิดๆก็คิดว่าหลุดพ้นเหมือนกันแต่หลุดพ้นผิดๆหลุดพ้นไม่จริงในสมัยก่อนๆเขาก็มีหลุดพ้นผิดๆเยอะ จนกระทั่งบางพวกก็บอกว่าผมถึงนิพพานแล้วไปนอนอยู่ที่ปฐมชาโนนบางคนก็นอนอยู่ตุติยชาติติยะชาติจตุติชาญเข้าชาตไปเป็นพรมอายุยืนนานพวกนั้นเกิดตายเกิดตายเป็นใบไม้ร่วงส่วนเรานี่เที่ยงแล้วถึงนิพพานแล้วเขาว่าอย่างนี้มาส่องดูพวกมนุษย์โอ้ยตายกันละเน่ละนาฏไปหมดส่วนเรานี่เที่ยงแล้วอย่างนี้นะเกิดความเข้าใจผิดกันอีก เนี่ยเป็นมิจฉาญาณนะมิจฉาวิมุตติไปนี่ก็มียุคเก่าเที่เขาบัญญัตินิตพานกันหลากหลายนะครับฉะนั้นต้องรู้ต้องเห็นอย่างถูกต้องด้วยนะไม่ใช่รู้เห็นแบบไม่ถูกแล้วจะพ้นได้นะต้องรู้ต้องเห็นนะครับฉะนั้นเวลาถามกันจึงถามที่ความรู้ว่ารู้อะไรเห็นอะไรไม่ได้ถามกันที่ผลนะไม่ได้ถามกันที่ผลเช่นว่าเอา ผมไม่มีราคะเลยช่วงนี้นะดีจริงๆเลยต้องถามว่าคุณรู้อย่างไงเห็นอย่างไงจึงไม่มีราคะคุณอาจจะเสื่อมสมรรถภาพไปแล้วหรือคุณอาจจะแก่เกินกินแล้วหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเราถามที่ความรู้ว่าคุณรู้อย่างไงเห็นอย่างไงนี่ก็เหมือนกันนี่สมมติมีคนมาพยากรณอรหัตผลเขาก็ถามกันว่าท่านรู้อย่างไงเห็นยังไงจิตจึงหลุดพ้น อย่างนี้นะ่ส่วนผลที่มามันมาจากหลากหลายนะมาจากหลายอย่างนะครับแต่เราถามกันที่ความรู้เพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเขาเน้นกันที่ความรู้นะครับต่อไปย่อหน้าที่สองในหน้าที่สองนะพระอรหันต์ก็จะตอบให้ฟังในเรื่องเกี่ยวกับขันท่5ว่าท่านรู้ยังไงเห็นยังไงจิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันท่า อ่านพร้อมกันนะครับขีนาสวัสะภิกขเวภิกขุโนวุสิตะวะโตกะตะกรณียัสสะโอหิตะภารัสสะอนุปัตตะสะัตสัตสสะปริขีณาภวะสัญโยชนัสสะสัมมดัญญาวิมุตตสสะอายะมนุธรรมโมโหติ เวยาการนายะรูป ah ah ah an ังโขอหังอาวุโสอะบลังวิราคุณังอนัสสาสิกันติวินิตวาเยรูเปอุปาดายุปาดานาเจตโสธิติฐานาพินิเวสานุสยา เตสังขยาวิราคานิโรธาจาคาปฏินิสขาวิมุตตังเมจิตตันติปะชานามิเวดนางโขอหังอาวุโสสัญญงโขอหังอาวุโสสังขารเรโขอหังอาวุโส วิญญาณโขอหังอาวุโสอบาลังวิราคุณังอนัสสาสิกันติวิดิตวาเยวิญญาเนอุปาดายุปาดานาเจตโสอาทิฐานาพินิเวสานุสยาเตสังขยาวิราคา นิโรธาจาขาปตินิส ข, ขาวิมุตตังเมจิตตันติปะชานามิเอวังโขเมอาวุโสชาณโตเอวังปัสโตอิเมสุปัญจสุอุปานานขันเถสุอนุปายะ อาสเวหิจิตตังวิมุตตันติตัสสะพิกเวพิคุโนสาทุติพาสิตังอะพินันติตับบังอะนุโมติตับบังสาทุติพาสิตังอะพินันติตวาอะนุโมติตวาอุตตริงปันโโห ปุจจิตาโบในคำถามที่สองนี้ก็จะมีคำตอบที่สมควรคำตอบที่เหมาะสมแก่เหตุเหมาะสมสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันตขีนาศกขีนาสวัสิสะพิกเวพิกุโนผู้สิตตะวะโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เป็นพระขีนาศกอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว กะตะกรณียสสะมีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วโอหิตะพารัสสะมีพาระอันวางลงแล้วอนุปัตตะสะัตสัสะมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วปริขีณะภาวะสัญโยชนัสสะมีเครื่องผูกไว้ในภพอันตนทาให้สิ้นไปแล้วมีภาวะสัญโยดสิ้นไปแล้วสัมมะดัญญาวิมุตตสสะ เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอายะมนุธรรมโมโหติเวยาการณายะก็จะมีคำตอบที่เหมาะสมดังต่อไปนี้ว่ารูปังโขอหังอาวุโสอบลังวิราคุนังอนัตสาสิกังอิติวิดิตวาดูก่อนท่านผู้มีอายุกระผมรู้ รูปนั้นแหละว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีกำลังอภรรย์นะรู้จั ก, roku, ร, จกรูปนั้นแหละรู้จักรูปว่ารูปนะเป็นสิ่งที่ไม่มีกำลังนะไม่ใช่ของยิ่งใหญ่ไม่ใช่ของที่มีตัวตนยิ่งใหญ่มีกำลังครับโลกไม่ใช่สิ่งที่มันบังคับได้มีกำลังทาโน่นทํานี่ได้ตลอดกาลมั you, นไมนะ่ใช่อย่างนั้นรูปนี้นเป็นสิ่งที่ไม่มีกาลังนะ แต่เรานี้รู้สึกว่าเรามีกําลังอยู่เรื่อยเนาะทำโน่นทํานี่ได้เยอะไปหมดเลยขับโลกไปแล้วแต่พระละหันเห็นว่าไอ้ไอรูปนี้มันไม่มีกําลังแต่ละรูปแต่ละรูปนี้มันแค่ของอิงอาศัยเกิดขึ้นสมมุติจะทํานั่นทํานี่ก็เหมือนกับว่าเรามีลูกน้องกันหลายคนเราก็รู้ว่าเออเราก็ไม่ค่อยมีกําลังต้องอาศัยคนนั้นคนนี้ช่วยกันนีเวลาสิ่งต่างๆเกิดปรากฏขึ้นก็ไม่ได้มองว่าเป็นผลงานของตัวเลย เพราะอะไรเพราะว่ารู้ว่าตัวเองไม่มีกำลังอาศัยคนนั้นช่วยอาศัยคนนี้ช่วยพระลหันก็เหมือนกันที่รูปร่างกายเป็นไปเป็นมาได้ทานอาหารได้อะไรได้เนี่ยไม่รู้สึกว่ารูปมีกำลังอาศัยว่ามีหลายๆอย่างรวมกันขึ้นไม่ได้ว่าตัวเองมีอำนาจบารมีเยอะแยะอาศัยญาติโยมที่มาใส่บาตรอาศัยคนนั้นอาศัยคนนี้อาศัยต้นไม้อาศัยหมาอาศัยแมวอะไรก็ว่าไปนะ เนี่ยรู้สึกว่ารูปอันนี้ที่อยู่ได้นี้เป็นของไม่มีกำลังต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นๆเยอะแยะมากมายเหลือเกินอาศัยพระจันทร์พระอาทิตย์อะไรต่างเนี้ยเ น, นเป็นรูปชนิดที่ไม่มีกำลังแต่เราทั้งหลายบางครั้งเกิดอัตราตัวตนมากๆนะเขาจะรู้สึกเขามีกำลังเยอะสามารถทำโน้นได้สามารถทำนี่ได้เปลี่ยนแปลงนั่นเปลี่ยนแปลงนี่อะไรก็ว่าไปนะอย่างนี้นแต่พระละหัน จะรู้ตรงข้ามกับความรู้สึกของปุถุชนเหล่านั้นคือรู้สึกว่ารูปเป็นของไม่มีกำลังในตัวเองเป็นของที่เพียงอิงอาศัยสิ่งต่างๆเกิดเท่านั้นเองวิราคุณังเป็นของที่มีความหมดไปเป็นธรรมดาหายไปเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอนาตสาสิ ก, กัง เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำให้เกิดความโล่งใจอะไรนะมันเกิดมาแล้วเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยหลายอย่างนะสักหน่อยมันก็ต้องแปลปรวนไปนะรูปนี้มันจะทำให้เกิดความเพลิดเพลิพนยินดีเกิดความโล่งใจเบาใจนี้เป็นไปได้ไหมโอ้เป็นไปไม่ได้นะเรานี่อา้าวหายป่วยแล้วโล่งใจใช่ไหม โล่งใจอยู่เรื่อยแต่พระลหันนี้รู้สึกไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งใจกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับขันธ์ทั้งห้าเห็นว่ามันเป็นภาระต้องแบกบต้องหามอนัสสาสิกังถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าหายใจไม่ค่อยออกคือมันไม่โล่งใจไม่ปลอดโปร่งใจอัดสาสะแปลว่าลมหายใจอนัสสาสะอนัสสาสิกะมันหายใจไม่ค่อยคล่อง เห็น ไ, ไหมมีรูปร่างกายอยู่มีกายมีใจได้แบกขามมันเนี่ยหายใจคล่องไหมของมันไม่เที่ยงพยายามรักษาให้มันเที่ยงหายใจคล่องไหมเนี่ยโอ้เรายังไม่รู้เฉยๆหรอกนะ <c oughs> ถ้ารู้แล้วจะโอ้โหนี่มันเป็นตัวทุกข์แท้ๆเป็นภาระแท้ๆแต่เราเนี้โอ้ยเป็นตัวดีตัววิเศษเหลือเกินแหะอย่างนี้นะ มันตรงข้ามกันอยู่ทั้งๆที่ต้องดูแลบริหารมันจนจะเป็นจะตายอยู่แล้วนะหายใจไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งอกไม่เบาใจเนี่ยถ้ายังยึดกายยึดใจอยู่มันก็ต้องมีภูเขาอยู่ในอกนั่นแหละถ้าปล่อยวางมันได้เมื่อไหร่เขาก็โอ้โอ้ยกภูเขาออกจากอกแล้วสบายไหยทีเนี่โอ้สบายแล้วปล่อยวางภาระได้นะเมื่อใดที่เรายัง บริหารของที่ไม่เที่ยงพยายามให้มันเที่ยงนี้เราก็ต้องหายใจไม่ค่อยคล่องเป็นเรื่องธรรมดาไม่โล่งใจของที่มันบังคับไม่ได้พยายามจะบังคับมันของที่จะต้องตายเป็นธรรมดาจะพยายามไม่ตายของที่จะต้องพลัดพลากเป็นธรรมดาพยายามไม่ให้มันพลัดพลากนี่ท่านก็ลองคิดดูกด็แล้วกันเนาะลองคิดดูก่อนก็แล้วกัน <laughs> แต่พระอรหันต์ท่านรู้แหละโอ้มันเป็นอย่างนี้เอง เนี่ยรู้อย่างนี้นะรู้อย่างนี้เนี่ยความรู้เป็นอย่างนี้คลั้นรู้อย่างนี้แล้วว่าโอ้รูปนี้เป็นของไม่มีกำลังมีความแตกหมดไปเป็นธรรมดาไม่ช่วยให้เกิดความปลอดโปร่งโล่งใจเลยเป็นสิ่งที่ไม่น่าพลืดเพลินยินดีอะไรนะเยรูเปอุปาดายุปาดานาเจตโสอธิิฐานาพินิเวสานุสยา ความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจตัญหาและทิฏฐิในรูปอันใดก็ตามการติดข้องการแนบแน่นหรือว่ากิเลส ท, ที่ยังมีอยู่ในจิตที่เกี่ยวเนื่องกับรูปนั้นอนะ่ะพอรู้อย่างนี้แล้วกิเลสอันไหนที่มีอยู่นะที่เรายังติดข้องเพลิดเพลินอยู่กับรูปมีตัญหามีทิฏฐิกับรูปนั้นอนะ่ะเตสังขยาวิราขา กิเลสทั้งหลายเหล่านั้นก็ถึงความสิ้นไปเนี่ยกิเลสมันสิ้นไปเพราะมีความรู้รู้ว่าอะไรรู้ว่ารูปนั้นนะเป็นอับพลังคือเป็นของไม่มีกําลังเป็นของไม่ได้ยิ่งใหญ่เป็นของไม่ได้อยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวอะไรของมันเป็นของที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยของมันเป็นของที่วิราคุณังมีความเสื่อมสลายหมดไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาสิกัง ไม่ได้ให้ความเพลิดเพลินยินดีไม่ปลอดโปรงใจอะไรเล ย, เ, ยเมื่อยังแบกมันอยู่ก็มีแต่ความหนักมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยรู้อย่างนี้อุปาทานที่เคยหลงยึดมั่นถือมั่นมันที่เคยอธิษฐานะนะเคยไปจับติดแน่นไปอัธินิเวศไปนอนกอดมันเอาไว้ไอ้งูพิษเนี่ยนอนกอดมันเอาไว้กิเลส ช, ชนิดไหนที่เป็นอนุสยายัางนอนอยู่ยังละไม่ได้ ยังมีอยู่ในใจพอรู้อย่างนี้แล้วกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นก็ถึงความสิ้นไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่เพราะเราไม่รู้จักรูปตามที่มันเป็นจริงนะอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นก็ยังอยู่อธิษฐานะเอาชีวิตไปฝากไว้กับรูปก็ยังอยู่เรานี่บางคนเนี่ยไม่ฝากไว้กับตัวเองก็มีนะตัวฝากตัวเองยังไม่พอเอาไปฝากคนอื่นฝากรูปคนอื่น ฝากไว้ที่ลู ก, กไว้ที่สามีไอ้พวกนี้ก็เรียกอธิษฐานะคือเอาจิตไปฝากไปแนบแน่นไปปักเอาไว้นะอย่างนี้แต่ถ้ารู้ว่าไอ้พวกรูปต่างๆเหล่านั้นมันไม่มีอะไรนี่มันหายใจไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยสะดวกไม่ปลอดโปรง่งไม่มีกําลังไม่มีตัวตนอะไรอันนี้พวกอธิษฐานะการที่จิตจะไปแนบแน่นไปเกาะเอาไว้มันก็ไม่มีเอาชีวิตไปฝากไว้ก็ไม่มี อาพิณิเวศการจะไปนอนกอดมันก็ไม่มีนะเราทั้งหลายนี้ทุกอันเลยนะยึดมั่นถือมั่นอธิษฐานเอาชีวิตเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กอดเอาไว้ทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านอุป ม, มานะรูปร่างกายนี้เหมือนงูพิษสี่ตัวใช่ไหมเราก็นอนกอดงูพิษอยู่ประคบประงมมันอย่างดีนะแต่เลี้ยงงูนะ่ะรู้จักเลี้ยงงูใช่ไหมหมอ ง, งูตายเพราะงู เนี่ยเรารักรูปเนี่ยดูแลมันอย่างดีก็จะตายเพราะมันนี่แหละเพราะว่าสักหน่อยมันไม่เที่ยงเนี่ยดูแลมันอย่างดีไม่ให้มันป่วยเพราะมันป่วยก็จะตายเพราะมันน่ะแกทำโน่นทำนี้มันก็จะตายเพราะมันเนี่ยเนี่ยเลี้ยงงูพิษเ่ยอย่างนี้นะครับพระพุทธเจ้าจึงอุปมารูปร่างกายหรือว่าธาตุทั้งสี่นี้อุปมาเหมือนงูพิษเราทั้งหลายนอนกอดงูพิษอยู่สักหน่อยมันก็จะแหวงกัดเอา และขันทั้งห้าอุปมาเหมือนกับเพชฌฆาตที่เงื้อดาบคอยเวลาอยู่เงื้อดาบรออยู่ด้วยนะรอแต่เวลาฟันนั้นเองเสร็จแล้วก็ฆ่าเราทิ้งให้เราไปทำนั่นทำนี่หลอกให้ไปทำเยอะแยะนะให้ไปสร้างบ้านนะสร้างครอบครัวนะสร้างชื่อเสียงนะสร้างโน้นสร้างนี่นะเสร็จแล้วชอบฟันถึงตายสนิทเอาอะไรไปไม่ได้สักอันเดียวโหดมากนะเพชฌฆาตเนี่ยนะ เพชฌฆาตตามคุกตามอะไรเขายังไม่สั่งเราไปทําอะไรใช่ไหมให้นอนกินข้าวหมูเฉยเฉยเนี่ยเสร็จแล้วอ้าวได้เวลาตายแล้วท่านออกมายิงป้องตายแต่เพชฌฆาตนี่เพชฌฆาตขันห้านี่โหดกว่า น, นั้นอีกเยอะนะสั่งเราไปทํานั่นทำนี่ด้วยหาชื่อเสียงนะเธอหามาหาอ้าวพิสูจน์ตัวเองนะเธอหาทำโน่นทํา น, นี่เสร็จแล้ววันดีคือดีมคหขาเราทิ้โชคตายเรียบไม่ได้อะไรไปเลยสักอันเดียวเนี่ย นะ่ยอย่างนี้เป็นไงโหดไหมขันห้านี่พระพุทธเจ้าท่านจงอุปมาว่านี่ขันห้านี่เป็นประดุดเพชฌฆาตที่เงื้อดาบคอยอยู่นะ่รูปที่เป็นส่วนประกอบของท่าทั้งสีนั้นก็เป็นประดุดงูพิษที่เรานอนอกอดอยู่เนี่ยพอเราไม่รู้อย่างนี้นะนะเราสบายใจอยู่นอนกอดงูพิษสบายใจพระละหันท่านรู้นีนะ่คนที่ท่านรู้ว่าอุ้ย หายใจไม่ค่อยคล่องไว์นอนก่อนงูพิษอยู่เนี่ยมันจะฆ่าเราเมื่อไหร่ก็ได้ก็ทิ้งมันใช่ไหมรู้อย่างนี้กิเลสมันก็ต้องหมดแหละเราไม่รู้ก็ไม่หมดนะครับนี่พระอราหันท่านก็จะตอบให้นะว่าท่านรู้ว่ารูปนี้เป็นของไม่มีกําลังไม่มีตัวมีตนเป็นของที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเท่านั้นเองนะเกิดมาแล้วก็มีความหมดไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ของที่น่าโล่งใจไม่ใช่ของที่ให้ความเพลิดเพลินอะไรได้ พอรู้อย่างนี้แล้วอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายที่มีอยู่ในรูปหรือว่าความแนบแน่นในใจที่เอาความสุขความทุกข์ไปฝากเอาไว้ไปนอนกอดมันเอาไว้กิเลสชนิดใดที่ยังมีอยู่ในใจเตสังขยากิเลสทั้งหลายเหล่านั้นก็สิ้นไปวิราคาหมดไปนิโรธาดับไปจาคาสละออกไป ปตินิสขาคืนให้เขาไปเลยนะไม่เอามันมาแล้วของเขาของโลกของธรรมชาติก็คืนเขาไปเลยที่เคยมานอนกอดเอาไว้เอาไว้เป็นของเราคนเดียวตัวเราก็าไว้ของเราคนเดียวใช่ไหมถ้ามีภรรยาก็ภรรยาของเราอีกก็กอดเอาไว้คนเดียวแฟนเราคนเดียวเนี่ยต่อมาเราก็เป็นไงรู้ว่าอุย้ยงูพิษนี่เราก็เออคืนไปให้หมด นะคืนไม่ใช่ระโยนเขาทิ้งนะคืนแบบทางใจนะไม่ใช่เอาไปคืนแม่เขานะไม่ใช่ยังไงนะคืนแบบสลัดคืนสลัดคืนธรรมชาติคือเขาเป็นมาอย่างนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็ปล่อยเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเขาไม่เที่ยงก็ปล่อยเขาไม่เที่ยงเขาบังคับไม่ได้ก็ปล่อยเขาบังคับไม่ได้ไปแต่เรานี้เขาไม่เที่ยงพยายามจะบังคับให้เที่ยงใช่หม เขาเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยพยายามจะให้เป็นอย่างใจตนเองเขาบังคับไม่ได้พยายามจะบังคับนี่มันมีปัญหาตรงนี้แต่ถ้าเราปล่อยมันคืนธรรมชาติเข้าไปซักเขาไม่เที่ยงก็ปล่อยเขาไม่เที่ยงไปเขาเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยก็ปล่อยเขาเป็นไปตามปัจจัยอย่างนี้นะนี่สลัดคืนไปแล้วก็จะรู้ว่าวิมุตตังเมจิตตังจิตของเราหลุดพ้นแล้วนะครับ นี่เพราะเกิดความรู้อย่างนี้นะรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้นั่นแหละจิตจึงหลุดพ้นท้งด้านเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายแล้วก็วิญญาณก็ทำนองเดียวกันวิญญาณังโข อ, อหังอาวุโสอับาลังวิราคุนังอนัศสาสิกันติวิทิตวาดูก่อนท่านผู้มีอายุกระผมนั้นครั้นได้รู้แล้วว่าวิญญาณเป็นของไม่มีกาลัง วิญญาณเนี่ยไม่ได้มีตัวมีตนไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนะการเห็นเนี่ยจากกูวิญญาณก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรที่เกิดขึ้นมาได้เพราะอิงอาศัยปัจจัยมีตาดีอยู่มีรูปภายนอกจึงเกิดวิญญาณชนิดนี้ขึ้นมาได้นะถ้าตาไม่ดีซะแล้วตาบอดไปแล้วจะบังคับยังไงมันก็ไม่เกิดนะมันไม่ได้มีตัวมีตนอะไรเป็นของวิราขุนังเป็นของที่มีความเสื่อมไปคลายไปหมดไปเป็นธรรมดา อนัตสาสิกังเป็นของที่ไม่ได้ให้ความปลอดปโปร่งให้ความโล่งใจอะไรจะเห็นด hmm. ีเท no ่าไหร่มันก็ไม่ได้พ้นทุกอะไรเห็นไม่ดีก็ไม่ได้พ้นทุกอะไรคิดดีเท่าไหร่ก็ไม่ได้พ้นทุกอะไรคิดไม่ดีก็ไม่ได้พ้นทุกอะไรจนกว่าจะรู้จ hmm ักม like ันตามที่เป็นจริง like ว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนนั่นแหละเนี่ยเห็นมันอย่างเนี้ยนเรานี้บางคนโอ๊ยรูปมันชักแก่เกินไปแล้ว พึ่งมันไม่ได้ไปพึ่งใจดีกว่าเนะเาะถ้าจะหายใจหายคอสะดวกเลยไปนั่งสมาธิให้มันจิตมันนิ่งสงบงนยถ้าจะเข้าท่าแต่พระอราหันต์ท่านมารู้ว่าอู้แม้แต่ทั่งทางใจต่างๆเหล่านี้วิญญาณสังขารทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ดีๆทั้งหลายเหล่านี้ให้ความเบิกบานใจได้ไหมไม่ได้ให้ที่พึ่งจริงๆก็ไม่ได้ให้ความโล่งใจปลอดโปร่งใจก็ไม่ได้น แต่เราทั้งหลายคงจะมีสิ่งที่ให้ความปลอดโปร่งใจเยอะเนาะได้ฟังนั่นดีดก็โอ้ปลอดโปร่งใจลูกปลอดภัยก็โอ้ปลอดโปร่งรู้สึกหายใจหายคอสะดวกอยู่เขาว่าอย่างนี้จนกว่าจะเห็นว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะี่นะมันไม่นำมาซึ่งความปลอดโปร่งใจทั้งหมดนั่นแหละแบบนี้แหละจึงจะหมดกิเลสได้หมดความยึดมั่นถือมั่นหมดอธิษฐานะอภินิเวสานุสยะ กิเลสทั้งหมดก็สิ้นไปคลายไปดับไปสละไปสลัดคืนไปก็จะรู้ว่าจิตของเรานั้นหลุดพ้นแล้วรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แหละจิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานขันทังฆาพอท่านที่พยากรณารหัตผลกล่าวอย่างนี้แล้วก็ควรจะอนุโมทนาธนว่สสาธุ ได้คำตอบที่สองแล้วก็ควรถามคำถามต่อไปอีกอย่างนี้นะเอาพักก่อนนะครับ